นทีกว่าราไม่ติดติิ้ดรทราได้ดีทาที่เราไม่ิดติดตวาธรรมดาที่ติดติดติดไดกว่ารรมาที่ดวารมดาที่ดีกว่าธรรมดาวามสาที่ดีวาธรดาารรมดาทกว่ นะโมพุวาทิฏฐโมพุทิศาสดาทิฏฐินะาิฏิโมพาทิฏนโมพทธาทิฏฐินะโมพุทาทิฏฐินาทิฏฐินะโมาิฏฐนะโา มิตรตาวิชิตมติามหันตตานิจตันตตาวานิจตามิวิชิตตานาคนาติจตานาตนิิตาาีสะาวานิจสะุขตาวาิตินา นุขตาวะติตามุขตาวะิตาสีปชาณะติภะาจาริวะติตาภะคะาจิตปชาณะติภะคาวะติตาภะคะิตาสีปาิกขวะติตาภิกขะวะติตสา อาภิโมดาวาดิพันตังภิโมตังดิพันติมาชนาตินิยัตตังวาิเติตาลูกัสติภิกขะราชิภิกขะราชิอาคาตังวาดิมาวาดิเตดิสาลูกัสติภิกิสมุภยธรรมาุกัิวาดิตาสมิิกเะราิ พุะมานุสิาิติิะทิตุยปะยธมานุสิกาปิปัตติภิกะทิมาติสิสันติวานาติาุา เกี่ยวกับในคำว่าจิตเนี่ยะในคำพีวิภาวนิยิกาเนี่ยถ้าให้ความหมายเกี่ยวกับในเรื่องของคําว่าจิตเขาอ่ะความหมายในที่นั้นก็คือวัจนธาตุที่ได้กล่าวสรุปตอนครั้งที่แล้วที่พูดในคําว่าจินเตติติติตังเรียกว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตเพราะอักทว่าคิด ที่บอกชื่อว่าจิตเนี่ยเพราะอาจจว่าคิดเนี่ยนะฉะนั้นคําว่าจิตเนี่ยถ้าในความหมายว่าว่าคิดทีนี้ลักษณะของการคิดเนี่ยในคำพีท่านบอกว่ากินตาจินตาสามเนี่ยที่แปล ว, ว่าคิดเนี่ยนะการคิดเนี่ยมีอยู่สามอย่างประการแรกมาจากคาว่าปุขนะันณะนักจินตา นั้นได้แก่วิตกฉะนั้นวิตกก็เรียกว่าคิดใน ต, ตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะต้องมาทำความเข้าใจนะประการที่สองก็คือวิชานะนาจินตาอันนี้นได้แก่จิตก็คือเป็นธรรมชาติที่คิดเหมือนกันประการที่สามคือปัญชานะนาจินตาได้แก่ปัญญาสรุปแล้วตอนนี้ก็คือว่า เรื่องของการคิดเนี่ยหนึ่งคิดแบบวิตก 2. สองคิดแบบวิญญาณหรือคิดแบบจิตคิดประการที่สามก็คือคิดแบบปัญญาคิดสิ่งที่ควรพูดก่อนตรงนี้ก็คือว่าเวลาเราไปปฏิบัติกันเนี่ยเนี่ยโดยมากเขาอยากข้ามคิดซึ่งลักษณะของความคิดเนี่ยถ้าในชั้นของคำพีเนี่ย เป็นชื่อของปัญญ า, นะาเนี่ยคำว่าจินตานี่เป็นชื่อของปัญญาคำหนึ่งเป็นชื่อของวิตกนั้นคำหนึ่งแล้วก็เป็นชื่อของจิตนั้นคำหนึ่งนี่เราก็ไปทํปาความเข้าใจาคจําว่าจินตาที่มาจากคาว่ า, าจินเตตีติดจิต ต, ตังเนี่ยธรรมชาติชื่อว่าจิตพระอัธรรมคิดเนี่ยจิตที่บอกว่าคิดเนี่ยในความหมายนี้ท่านอธิบายว่าได้แก่การรู้แจ่นซึ่งอารมณ์ เหมือนอย่างที่พระอัถกราจารย์กล่าวไว้ว่าวิสยาวิชาณนระักษนังจิตต่งจิตมีการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์เป็นลักษณะเ็าบอกว่าจิตเนี่ยเมื่อปัจจัยทั้งหลายมีนิสยปัจจัยอนันตระปัจจัยมีอยู่เป็นต้นมีอยู่เนี่ย ทั้งปกติเวลาจิตจะเกิดขึ้นเห็นไหมเขาต้องอาศัยนิสยาบั จ, จัยบ้างสมบูรจจยุตบัตใจบ้างอ น, นันตระบั จ, จัยสมานันตระบัจจัยเป็นต้นบ้างการที่จิตที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยแต่ถามว่ามีเฉพาะปัจจัยเหล่านี้ยจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่จะทําให้จิตเกิดขึ้นได้ชัดเจนก็คือว่าอารมณะบัตจจใจเห็นไหมท่านทั้งบอกว่าจิตเนี่ย จะขาดเสียซึ่งอารมณ์มน้าปัจจัยนั่นไม่ได้ฉะนั้นอ่ะจิตเนี่ยเ้าบอกจะว่างเว้นจากอารมณ์ไม่ได้ก็คือจะต้องมีอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่อารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าที่เราเข้าใจกันว่าอารมณ์ดีแล้วอารมไม่ดีนะ <c oughs> อารมณ์ในที่นี้ได้แก่อารมณ์หกมีรูปอารมณ์เป็นต้น ฉะนั้นธรรมาชาติว่าจิตเนี่ยําว่าคิดในทีน่นี้คือเขาคิดเข้าไปในไหนว่าคิดเข้าไปในหารูตารมแตตาลมเขาเรีวยกว่าคิดนั่นคือความหมายอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเขาต้องคิดประการต่อมาคือปุหะนะนะจินตาอันนี้คิดแบบวิตกถ้าคิดแบบวิตกนะันมีอยู่สามอย่างสามอย่างคือหนึ่งมีการมั่ววิตกคิดไปในไหน ตากาไม่จบอีกคิดในเรื่องกรรมาคุณใช่ไหมเป็นบ่อยไหมอย่างนี้ก็เรืตองกรรมไม่จบที่ผ่านมาในตั้งแต่เราวาสนาเฉพาะตรงนี้นี่แหละประการที่สองก็บอกว่าเป็นพยาบาทไม่จบ ค, คิดพยาบาทคิดปองร้ายเขาประการที่สาม้ยคือวิหิงสาวิโกนั้นอย่างนี้เรากว่าเคิด นั้นถ้าหากไปเจริญวิปัสสนานะถ้าบอกห้ามคิดเนีย่ยต้องบอกห้ามคิดแบบอกามวมุกนี้ตกพยาบาทนี้ตกวิหิงสาวนีตกอันนี้ห้ามได้แต่ท่านไม่ห้ามเมฆคำเม้ า, มาวิตกไม่ห้ามเอาพยาบาทวิตกไม่ห้ามเอาวิหิงสาววิตกฟัง ค, คิดแบบนี้ท่านไม่ห้ามถ้าห้ามแบบนี้การเจริญกุศลธรรมเจริญวิปัสสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย อีนี้ถ้าเราได้หลักการและหลักฐานที่ชัดเจนอย่างนี้แล้วเราก็มีข้อยืนยันใช่ไห mm hmm. แล้วก็สามารถบอกเขาได้บอกว่าถ้าคุณไปปฏิบัติเนี่ยที่บอกว่าห้ามคิดนั้นน่ะอันนั้นคุณพูดยังไม่หมด mm hmm. ต้องอธิบายหน่อยว่าห้ามคิดแบบไหน mm hmm. ถ้าห้ามคิดแบบจิตนั้นมันห้ามไม่ได้ว่าต้องไม่ใช้ตัวิตต้อง ค, คิดอยู่แล้ว แต่ห้ามคิดแบบประเภทแบบปัญญาอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญประการที่เราว่าปาัญญาณน่าจินตาได้แก่ปัญญาดังนั้นลักษณะของปัญญาเนี่ยดังที่ได้กล่าวไปบอกว่าลักษณะของปัญญานั้นการเข้าไปคิดแบบปัญญาเขาคิดในอะไรหนึ่งคิดเข้าหาปัจจารลักษณะกับสาวมันเยะลักษณะใช่ไหมคือคิดเข้าหาลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะธรรมกับคิด เข้าหาสามัญยลักษณะคือลักษณะที่เสมอการน้องสงสารธรรมนั่นเองการคิดในลักษณะอย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรคิดนะพอคิดแล้วจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปนอันนี้ก็ไปอธิบายกเป็นชัดเจนเลยในทีก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าห้ามคิดเนี่ยต้องห้ามคิดแบบตามโมวิตกนั่นอันนี้มามาจากคาว่าธรรมชาติของจิต ทีนี้ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าอาศัยปัจจัยต่างๆมีอุปนิสัยปัจจัยอนันตระปัจจัยหรือว่าสหาชาตปัจจัยหรือสมปยุญตรปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะจิตเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากเว้นอรรนารามานปัจจัยแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยฉะนั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านรัชนาทำทีเนี่ยนะท่านจึงบอกว่า ความที่จิตนั้นมีการรู้อารมณ์เนี่เป็นลักษณะอันนั้นเป็นลักษณะประการแรกเลยว่นหนึ่งมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะที่บอกว่ามัตติของผู้ที่มัตกล่าวว่าจิตไม่มีอารมณ์เนี่ยเขาบอกว่ามัตตินั้ น, นถูกคัดค้านด้วยบทว่าจิตนั้นมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะถ้าไปบอกว่าจิตทุกดวงเนี่ยนะ ตั้งใจเรีนที่หนึ่งเียนที่สุดท้ยแต่ถ้ า, า, าที่เราเรียนจะในสิการุารณยนาก็กลุ่มโรงเรียนที่เราศึกษารเราเรียนมันรั่าลงทุกดวงคือเ ป, เป็นเป็นธรรมชาติเป็นลักษณะเฉพาะตวัวก็นี่จีตประการหนึ่งอันนี้นี้ม า, มาย้าเตือนอย่างว่ามาจ า, ากคำว่าจินเตว A ีวาเอเตนะ กานาภูเตนะสัมปยุตตะธรรมาสิตตังโลกธรรมชาติชื่อว่าจิตเพราะอาจจว่าเป็นเหตุให้สัมปยุตตะทำรู้อารมณ์อันนี้ชัดในตัวก็คือว่าเจตสิกกล่าวตูเวนาขันตุญญาขันและสังขารสันจักรู้อารมณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีจิตใช่ไหมฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุให้สัมปยุตตะทำรู้อารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าจิต อันนี้ในความหมายนี้เขาว่าเขาเป็นเหตุในการศึกษาเรื่องคเนี่ยให้สังเกต น, นะบางทีท่านใช้คําว่าปุบบัติเหตุใช่ไหมเช่นปุปบับติเหตุนในการเห็ น, นใช่ไหมปุบบัติเหตุนในการได้ยินท่านเรียกอุปบัติเหตุไเรียกปุบบัติเหตุไหมเรียกว่าอุบบัติเหตุ แต่ถ้าอุบัติเหตุในความหมายที่เราได้ยินได้ฟังอรแบนี้เรียกเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไเป็นเร่องไม่ดแต่จริงๆแล้วเในเรื่องของการเกิดขึ้นของสภาวธรรมว่าข้อมีเหตุเกิดอะไรก็นั้นเขาเรียกว่าอปุอปัติเหตุเป็นอุบัติเหตุ เนี่ยอุปาติเหตุเช่นนี้ได้ก็สอบกันตลอดเวลาใช่ไหมบางคนก็บอกเออคุณเนี่มีบุญนะที่ไม่เกิดมาไม่ประสงค์อุบาติ่เราต้องบอกข้อใหม่เราท่านจะสอบอุบาติทุกคนใช่ไหต้องเวลาเด้วยนี่มาจากับว่าเหตุให้เกิดสมุทัยนะครับส่วนอีกความหมายนึงว่าเพียงแต่ความคิดก็ชื่อว่าจิตเนี่ยในความหมายเนี้ท่าน ท่านบอกว่าได้แก่จิตทุกดวงจิตทุกดวงคิดหมดแล้วนะแต่ว่าจะคิดในปรูปารมณ์ตัดอารมณ์รวดส่วนในบางทีอดาจารย์ไม่มีที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยวิจิตต์ตัดตรณาจิตตังรวดจิตเพราะทําให้วิจิตต์นั้นอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งเพราะภาวะแห่งตนเป็นธรรมชาติที่วิจิตต์นั้นอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งก็เพราะอันกำและก่เลสสั่งสมนันอย่างหนึ่งประการต่อมาก็เพราะรักษาอกาศภาพอันนี้จิตและก็เพรสั่งสมสชนดางงนของตนสุดท้ายก็คื อ, พอเพะมีอารมณ์วิจิตแต่ละความหมายเนี่นะประการแรกก็คือว่าจิตเนี่ยย่อมจะทําศิลปะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่ากิจกรรมเป็นต้น ต, ต่างๆเนี่ยนะให้วิจิตฉะนั้น เตุนั้นน่ะจิตนั้นจึงชื่อว่าทําให้วิจิตนั่นกิจกรรมต่างๆที่เราดูว่าวิจิตทิศดารภาพเขียนก็ดีตลอดถึงเกี่ยวกันในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยต่างๆที่เราดูว่าเหมงวัตงานสวยงามเป็นต้นก็ได้มาก็มีการประมูลยันเป็นนราคาเป็นหลายล้านหลายแสนอะไรเนี้ยต่างๆมาเนี้ยมันมาจากจิตจิตวิจิตมากกว่านั้นมันก็ให้ทําการจะทํานั้นวิจิต อิระการ์มินก็ถือว่าจิตใดเป็นเหตุแห่งถือละปัจ ก, กรรมเป็นต้นอันวิจิตเหตนนั้นจิตนั้นชื่อว่าเป็นการกระทําให้วิจิตถามว่าจิตที่ทําให้การกระทําที่วิจิตนั้นน่ะได้แก่จิตอิมว่า เช่นการกระทที ah ana, ah a a ่ออกมาทางกายทางวาจาหรือทางใจที่วิจิตทิฏฐิาจร์เนี่ยมีจิตพวกไหนเป็นต <H Psychology> ัวขับดันก็ต้องบอกว่าได้แก่จิตสามจดสสามจุดสองดวงสามดสองดวงที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาตเป็นปัจจัยให้เกิดกายยวิญญาตแลอวจีวิญญาตได้แก่ละมโนทวารวชนาจิตหนึ่งกามะชวนะยี่สิเก <osely anda> ้าแล้ว <d> ก <iana> ็อภินยาปสอง จ็ดสามจ็ดสองดวงนี้แหละเป็นเอกเป็นปัจจัยให้การกระทำนั้นยี่จิตพิสดารใช่ั้ยเพราะว่าชาวนะเนี่ยยกตัวยอย่างเช่นว่ า, ากามชาวนะยี่เก้าเนี่ยอาคุศลร 92, ่ดสิบสองมหากุศลรจ็แปแล้วก็มหากริยาจิดแปในแล้วก็นี่นะในยี่สิบเก้าดวงเนี่ย ท่ามีมโนทวารละนะเป็นปัจจัยให้ชาวนาเหล่านี้เกิดขึ้นคือให้ถ้าเราดูาจิตเหล่านี้เกิดขึ้นมาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยใงการจะทํำมีวิจิตมีจิงใช้ไหเช่นเวลาเราจะเดินเราจะพูดเราจะคิดเราจะประดิษฐประดอยทําสิ่งต่างๆออกมาเนี่ยอันนั้นมันเป็นพลจิตสามสิบสองดวงแต่ถ้าหากว่าอกิญยาสองเราก็ทําให้วิจิตอยู่แล้ว อยอะๆใช่ไหมทำให้ร่างกายที่อยู่จับเื่นรู้ดึงไปอยู่บรรยากาศในต้นนี้ก็ได้อันนี้ก็เกี่ยวไปในเรื่องการแสดงจิตทสําๆคัญฉะนั้นถ้าถามว่าจิตที่เป็นเหตุที่ชื่อว่าการกระทําให้วิจิตนั้นได้แก่จิตสามสิบสองดวงเพราะจิตสามสิบสองดวงเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดกายวิ ญ, ญญาณและภวติวิญญายเพราะเมื่อจิตเหล่านี้ทําให้วิญญาณ เป็นไปแล้วตัววิญญาตก็เป็นปัจจัยเกิด อ, อีเริยาบถน้อยเท่มั้ ง, งมีการดืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเพรจะมองเห็นด้วยตรงเนี้ดันั้นตรงเนี้ต้องทําความเข้าใจเข้าไว้เพราะว่าต่อไปเราเวลาปเรียนหรือไปศึกษาในสื่อสาและกัาส น, น, นาเนี่ยก็จะต้องรอบรู้รจิตกับเพราะว่าจิตเหล่านี้ที่จะเป็นปจัจจัยอวิญญาตวิญญาตเป็นปัจจัยให้อิริยาบถขั้นสุดเนี่ยเนี่ยก็ต้องไปดูว่าจิตเหล่านั้นมีจิตประเภทไหนบ้างทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยเช่นชอบประหยาดเช่นจิตเวลาฆ่าเนี่ย ใช่ไหมจิตมีราชาเก่าดูโลมาบุรุษจิตแปดดวเนี่ยเขาก็ทําให้วิญญาเกิดขึ้นนะเขาทำให้วิญญาเกิดขึ้นได้จากนั้นเขาก็ทําให้การกระทําให้วิจิตได้แต่จะวิกิตแบอย่างไรนั้นก็ไปดูในรายละเอียดแต่ละรวมใช่มจิตกระตุกเก่าจิตมีราชากับร้ชันวิจิตมีราชเพราะฉะนั้นเราบอกว่าการจะทําให้วิจิตต้องเอาจิตสามถึงสองเลยทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าชื่อว่าจิตป๊อปความวิจิตคือวิญญาณเนี่ย วิจิตด้วยอนนำนาจแห่งสัมปโย ค, ครับเิดข้าไปดูในสัมปโยค้าไหนใช่ไหมถ้าพูดถึงในเรื่องของภูมิเวทนายเช่นว่าเจิตเนี่ยไปแยกโดยความเป็นการมาภูมิรูปภูมิบรูปภูมิปปโลภูเดลภูมิปปมปปมปปมนี่นะอันนี้ก็มาจากว่าเป็นความวิจิตรงน หรือว่าแยกเป็นกามจิตครูปาวจะจิตอรูปาวจะจิตโลบุจะไจิตหรือไปแยกเป็นเนวทนาเนี่ยเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็โสมนาเวทนาโทมนาเวทนาและอุเวขาเวทนาอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นความวิจิตที่สามารถแยกเป็นไปได้ลักษณะอย่างนี้นบางครั้งก็แยกเป็นโสมนะอศโสมนาะ แยกเป็นอสังขาริากศาสังขาริกใช่ไหมแยกเป็นสัมปยุทธ์แล้วก็วิปยุทธ์เนี่ยลักกันอย่างนี้เขาเรียกว่าชื่อวิญญาณที่จิตด้วยอำนาจเห่งสัพยโยคะเป็นต้นหรือบางกีก็แยกเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากตาิก เชเป็นกุศลชาติเป็นอกุศลชาติเป็นวิปลาสชาติเป็นกิริยาชาติอันนี้ชื่อว่าเป็นความวิจิตอย่างหนึ่งนะเป็นความวิิจิตอย่างหนึ่งประการต่อมาจิตว่าเรีว่าสังสมถ้าสังสมเนี่ยคือวิบากใดอันตรำและกิเลสทั้งหลายย่อมสังสมคือย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นเนี่ยวิบากนั้นน่ยชื่อว่าจิตอันนี้ อั น, นี้เน้ น, นวิบากเพราะว่าวิบากมีเกิดจากกรรมและกิเลสเป็นทุกข์เป็นเดชใ น, น, นการสะสมไม่เกิดขึ้นหรือบอกวิญญาณใดย่อมรักษาอัตภาพอันกรรมและกิเลสให้วิจิตเพราะเหตุ น, นั้นวิญญาณนั้นชื่อว่าจิตอันนี้เอากุสลอาปุศลและอัปยาตะการจิตในฝ่ายของโลกินยะอันนี้เนี่เพราะว่าเน้นในเรื่องของคําว่า ย่อมรักษาอากาภาพเขาบอกว่าอกขุนนักจิตก็ดีอพยายนกะตจิตหรือว่าอกุนนัจิตก็ดีเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มโรคยาจิตแต่ที่เป็นไปเนี่ยเขาจำที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเขารักษากายเขารักษาอากาภ า, าพ เพืภาพก็คือกลุ่มรูปขันเนี่ยจะสามารถเป็นไปได้ตั้งอยู่ได้ตามกําหนดอายุขัยของเขาได้นะก <_ S 1> ็เพราะมีนามธรรมาข่าวจิดตแบบนี้แหละคอยคอยหล่อเลี้ยงคอยดูแลหรือคอยรักษาประการต่อมาก็คือ ว, วิญ ญ, ญาณใด ย, ย่อมสั่งสมสันดานคือชวนสันดานของตนเพื่อเหตุที่มีกําลังคล่องแคล่วเพื่อเหตุนั้นดุจานั้นเชื่อว่าจิตอันนี้หมายเอารโลกียะจิตนะหมายเอารโลกียะจิต เขาแปลว่าย่อมต่างสมสันดานโชนะโชนะคือการที่โชนะกิจเกิดขึ้นเนี่ยชื่อว่าเป็นการต่างสมอัธยาสัยใช่ไหมเช่นจะเป็นกุศลโชนะหรืออกุศลโชนะเนี่ยเวลาเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะถ้าใครให้โชนะขึ้นเป็นโลภิยาโชณะเกิดขึ้นในสันดานของแต่ละบุคคลบ่อยๆก็จะเป็นอัธยาสายของท่านคุณ บางคนก็อาจจะให้โลพาเกิดขึ้นบ่อยๆโลพาก็เป็นอัตยาใสาก็แค่พูดนะแต่ถ้าพระโพธ่สัตว์เขาเป็นอะโลพาอัตยาใสาใช่ไหมอัตยาใสของเขาก็เป็นไปในด้านของความมีโลภีกถ้าหากว่าบางคนก็ให้โพสาเกิดบางคนก็ให้กลุ่มโมหะบางคนก็ให้กุศลเกิดบ่อยถ้าหากในวิธีคิดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นนิยตตอันิยตตพระโพธิสัตว์เนี่ยนะกลุ่มพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั่นก็จะมีพวกอโลพัทยาสายโทสัตยาสายโมหะทยาสายในขมัชทยาสายแล้วก็วิเวสัตายาศายก็ดิสารณะธรรมทยาธรรมนั้งอัตยาศัยเรียกว่าโพธิสัตว์จะเป็นไปลักตนายุี้ คือในลักษณะของอโมหะทิยาไสดูตรงไหนดูปัญญาบารมีคือพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยท่านบังเพ็ญบารมีในด้านของปัญญาบารมีท่านก็ไปขยายบอกว่าปัญญาบารมีนั้นน่ยลักษณะของปัญญาของโพ ธ, ธิสัตว์นั้นเน่ยประการแรกก็คือการรู้แจ้งปฏจบัตรรักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวของรูปธรรมนามธรรมหรือลักษณะเฉพาะตัวของรูปเวทนาปัญญาสังฆ์าณวิญญาณเองก็ ฉะนั้นสภาวว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยพระโพธิสัตว์นั้นเน่ยก็จะต้องมีปัญญาลักษณะนี้เข้าไปรู้ลักษณะของสภาว่าธรรมเกี่ยวกับในเรื่องของรูปว่าธรรมและนามาธรรมไม่ว่าจะเป็นสภาวว่าของขันธ์ของภาพของอายตนะของสัจจ์ของอินทรีหรือต้นเหล่านี้ปัญญาของพระโพธิสัตว์นั้นก็จะเข้าไปรู้อย่างละเอียดเลยมีประการหนึ่งจะมีประการหนึ่งก็คือว่าเข้าไปรู้สามัญยะลักษณะคือลักษณะที่เสมอเด่นทั้งขานธ์ทั้งดวงนี่นะ อย่างยกตัวอย่างเช่นสุมเมธาดาวดเวทเนี่ยตอนที่ตอนที่ท่านปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปราถนาเนี่ยถ้าถามบอกว่าตอนที่ท่านเป็นดาวดทเนี่ยทำมาสโมโอทานแตกกระจายของท่านในบริบูรนอยู่เลยดีไหมเช่นมนุษย์จักราลินดีสัมปติสีตูต้นแบบเนี้ยที่บอกว่าเป็นมนุษย์ืต้นแบบ ยถาปการต่อมาคือท่านได้ทัญงาฆ่าแล้วมัตนำมาแบ่งแต่งในกรณีอย่างนี้ก็แปลว่าท่านสมบูรณ์มากสมบูรณ์ในด้านของปัญญาเนี่ยนะคือว่าถ้าฟังภาษาภาษาสื่ารภาษาเท่านจะตัดสรู้เป็นบ้าฐานนั่นเองลักษณะอย่างนี้เขาเรียกปัญญาของพระโพธิสัตว์อันนี้เป็นการการบ่มปัญญาของท่านเนี่ยความหมายทีนี้พอท่านมาคิดว่ า, วาคนเช่นเราเนี่ย ถ้าหากจะได้จัตตารู้เนี่ยก็ต้องให้คนอื่นจัตตรู้ตามด้วยถ้าจะข้ามก็ให้ ป, าปราถนาใหรือคนอื่นข้ามตามไปด้วยถ้าท่านคิดในลักษณะ น, นี้แล้วท่านก็ปราถนาใช่ไหมต่อหน้นนารถพาของพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็พิจา ร, ารว่านี้คือหนอนนี้พระพุทธอต่อไปเสียสมคายแต่งต่อจะได้จัตตรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระธรรมอนรณ์ลักษณะอย่างเนี้ยได้รับพุทธบพิจาร อ, อย่างนี้แล้วก็สร้างบารมีมาอีกเสียสมค ฉะนั้นถ้าถามบอกว่าปัญญาของท่านเนี่ยก่อนที่จะมาอาธิฐานเป็นพระบูรพีสัตว์ต่อหน้าพระพราของพระุทธเจ้าในรับพุณธรรมยาก่อนเนี่ยปัญญาของท่านเต็มรอบก็ยังจะเป็นพระรอรหันต์หมดถรอบเลยอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าปัญญาลักษณะของปัญญาของท่านก็แปลว่าค่อนข้างที่ที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าระดับแบบปัญญาที่กลต้องเสียลงไหลายเส้นกับ ถ้าจะเป็นประเภทศัทธาที่ขาต้องแปดอารมณ์ไขแสงกลับเนี่ยแต่ถ้าจะเป็นประเภทวิริยะที่ขาดสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสิบหกอารมณ์ายแสนกลังอันนี้ก็จำบ้าใช่ไหม อ, อย่างเช่นพระสีอริยมยิตยหรือพระเมธยักษพุทธเจ้าที่จะมาจัดข้างหน้านี่นะอันนี้เป็นประเภทวิริยะที่าขาดสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอางแล้วพระพุทธองไหนที่ นี่ไ้ ท, ทไว้น่ะพระศรีอานม่อ่านในอ่านในพระัเจอเจอถ้ า, น า, ถาในปัจจุบันนะพบนี่นะไปเจอในคำพีปฐมสมสมพูที่เจะาัำในคำพีนี้ที่กล่าวไว้ตอนที่ว่านางห น, น้าประชาชนตัวเดิมที่ว่าทำพระไตรปิวรจะได้ถวายพระพุทธเจ้าีไหม พนานก็มีศรัทธามากการมีศรัทธ า, าของพนานเนี่ยวันนี้ก่อนคิดเนี้ยคือเจตนาของจะทำพวงนานในสมบูรณ์คือได้เก็บมเมล็ดไ้ประมาณก็ใส่พระโอษฐองคเนี้มาเด็ดเสร็จก็ทาใส่มกระถางลองทางแล้วเอาดินเอาเอาของหอมอะไรต่างๆเนี่ยมาคือเพาะเล็ดพันธุ์ พอมันขึ้นมาแล้วก็มีเริ่มตั้งแต่พ่อมาเล่นพันขึ้นมามมเนีย่ยเล่นไฟจนออกมาเป็นต้นแล้วไปเป็นเจริญเติบโตมาก็เก็บเจนเอาไปเข้าไปปั่นได้ไปในไรต่งางๆไดในที่สุดกินกิ่งกอมาทอมาในกาดทําได้ปคนเองอย่างก็พร้อมด้วยนามสนมกำนันประมาณแสนคนดวมแล้วก็พากันเอาผ้า ฝ่ายเกอต้องการคแต่ว่าพระนางมีความคิดเราต้องการถวายจอดชมเด็กพระพุทธเจ้าก่อนทำก็สมบูรณ์ขณะทำก็สมบูรณ์หลังการทำก็สมบูรณ์เพราะตอนนั้นน่ะนางเป็นพระโสดาบันเยอะซึ่งความคิดในด้านของเจตนาสามการมีสมบูรณ์แบบอยู่ล้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาตำหนิว่าท่านานางเนี่ยถวายแก่พระพุทธเจ้าก็จะมีอนินสงส์มาก แต่ต้องการให้นาง น, นีอานิสงส์ยิ่งยิ่งใช่ไหมคือเจตนาต่อพระพุทธเจ้าได้สามการแล้วก็ขอให้นางมีเจตนาต่อสงฆ์อีกสามการคื อ, อก่นานัำนณะทำและหลังทำหรือถวายสงฆ์ก็รวมเป็นเจตนาหกข้อเดยวฉะแล้วเจตน า, ต า, ต า, ตบบาสามการให้กับพระพุทธเจ้าอีกสามการก็คือถวายสงฆ์พราะคิดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าให้นาง น, นั้นถวายเกียสงฆ์นาง น, นั้นก็เสียใจร้องร้องหอบร้องไห้ ร้องผมไม่เข้าใจเราไปร้องไห้แล้วถ้าจะร้องไห้เป็นตํนนานานทำพูดของวคนไทยเนี่ยตรงทีฝรั่งเขาฟังไม่เข้าใจว่ามันก่อนหลังก็พูดเขาฟังนึกของเขาเหมือนนะเขาบอกร้อนมากๆเลยเขาเข้าใจก็ร้อนร้อนอย่างที่ร้อนที่สุดก็เข้าใจแต่ร้อนจ็บมูชีเขาไม่เข้าใจ ร้อนจนหูฉี่รู้เขาก็ไม่ร้อนใจคือเขาไม่เข้าใจว่าหูเนี่ยมันฉี่ได้ยังไงช่ ม, มภาาีภาษาไทยเนี้ยภาษาไทยเนี่ยเป็นศัพท์ที่คนไทยฟังแล้วเข้าใจเนี่ยเหมือนกับว่าร้องห่มร้องไห้ควฟังแล้วแทบจะเข้าใจแต่ถ้าไปพูดให้กับชาวต่างชาติเราไม่ต้องบอกว่าร้ อ, องไห้ต้องไม่ด้จะไ้อบอกว่าร้องห่มเขาจะไม่เข้อนใจฟั้เขาไม่เข้าใจ ก็เลยต้องแบกสายท้ามมัน้ามโนนี้ท่านเป็นคนเฉลาดเนียวลาจะเข้าไปหารพูดธรื่องเจ้ามีอะไรก็จะพลานาะบอกเออพระนางนางประชาบดีโคจมีเนี่ยมีอุปการาคุณต่อต่อู่มีพระธาตุเจ้ามากเพราะว่าพระนางจะิมาห ม, มายานี่จ น, นะโอเคตายตั้งแต่พระองค์เนี่ยอายุได้เจ็ดวัน ต่อจากนั้นมาคนที่เลี้ยงดูในการให้นมให้ใจต่าง ๆ, ๆก็คือนางพระารยาบดีโคตรมีนี่นะพูดตามมันดอมันคือยกพละนาคุณของพระนางพระยาบดีที่จริงก็ขได้เะ้างทาไมจะไม่รู้ในเรื่องนี้แต่ถ้าบ้านนึงเข้าไปจะต้องพละนาเรื่องลักษณะอย่างเนี้ท่านมีปัญญาเนี่ยเวลาจะเข้าไปพูดอะไรคือยกเหยื่อขวนั้นนที่คนฟังมองดูว่าเออไม่เดยื่อขวนลลมาก ถ้าอย่างให้เราไปไปพารนาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่น่าจะได้เลยไม่ได้เลยอย่างนี้ตัวอย่างเช่นเจอเรียกร้องขอพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา็ยังิขัณฑให้พูดไปพูดมาค้อง้องเห็นเลยหมถ้าระดับข่านนั้นอยู่ได้ไปไม่ได้นานีะยื่นมาหลังคนมีปัญญาระดับนั้นไม่ก็มีก็เป็นอย่างนี้ เนี่ยพ่อกก่าในในในในคำภี์เนี่ยพูดถึงอชิตาพิขุลก็คือท่าสีเดียวเมตไตรท่านมาสร้างบารมีมาเป็นพิสูจในาศาสนาในในในาศาสนาของพระพุทธเจ้าในองค์นั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าก็พยายกรมว่ามิต่อไปจะได้เป็นท่าสีเดยวเมตไตรในอนาคต ทีนี้ในะยุคของพระเสียเม่ใจเนี่ยท่านตัดไว้หลายๆคำทีนะพระพุทธเจ้าไปตัดไว้บอกว่าอพอศาสนาของพระพุทธเจ้าหมดยังห้าพันปีหรืออายุ ข, ของม น, มนุษย์เนี่ยก็จะลดลงไปจเหลือสิปีนี่นะตามลำดับพอได้ถึงในยุคนั้นเป็นยุคขันธรรกับที่หมายความบอกว่าคนจะเข่นฆ่าคนจะฆ่ากันด้วยสตราวุธด้วย ใทรประกอบอะไรต่างๆในที่สุดจริงๆคนก็จะหนีไปอยู่ตามซอกเขาหนีไปอยู่ตามป่าใช่ไหมคนที่ดีๆทั้งหลายแล้วต่อมาเจ็วันก็ออกมาปรึกษากันดีดังนในที่สุดจริงๆคนกลุ่ม น, นี้ยก็มาเจริญกุศลธรรมเรื่การไม่ฆ่าสัาตว์ไม่รับกรรมไม่ประพฤติในกรรมดีดังนั้นใ น, ในที่สุดนีเจริญกุศลธรรมเจริญภาวนาอายุของมนุษย์ก็จะเจริญขึ้นไปตามลําดับไปขึ้นไปจ น, นถึ ง, ถงอสงไขยตีนใช่ั้ม พอไปถึงในยุคตรงนี้ขาขึ้นเนี่ยมนุษย์ก็เริ่มประมาทแล้วประมาทกันแล้วเพราะมันไม่ตายใช่ไหมนานแล้วเกินจะลืมหลังเนี่ยนี่ต่อมาพอมาพอเพิ่งประมาทบูมาอาไปอายุก็จะเริ่มลดลงลดลงมาจนถึงแปดหมืนปีช่วงที่อายุขัยของมนุษย์แปดหมืนปีจะมีพระเจ้าจักรพรรดิผู้บัเกิดขึ้นก่อนแล้วต่อมาก็เนี่ย ก็พระพุทธเจ้าก็จะมาเกิดในยุคนั้นถ้าศีลยัไม่ตายนี่ก็จะมาตัดสรู้ในยุคนะั้นแล้วก็นี่หมอคิดเจรานาอย่างนี้แล้วก็อย่างพวกเราในยุคจุในในกับนี้เขาเรียกพัฒกาบถูนะนะกไหมกาบที่พระพุทธเจ้ามาตรัสห้าข้อผ่านมาเท่าไหร่แล้วสี่สลแล้วเรายังไม่รีไมีมีรีเวลาอะไรยู่ต้องหน้ากินกันนะสี<ด>่ยงแล้วนะตอนนี พอตอนนี้ท่านอยู่ที่ดุสิตอันนี้ก็คอยจ้องมองพวกเราเหมนกนเมนี้จะใช้ได้หรือไม่ใช่เราคิดอยู่กันาีก็นั่งเลยเอาจริงหรือเปล่าเลยกลังคิดอยู่เนก็ถ้ามองดูก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่ใช่ไหม ไม่น่าจะนานกันเลยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นปัจจุบัน 2,500 กว่าปีถ้าอีก 2,000 อีก 2,500 กว่าปีก็อายุของประสาทศาสนาก็หมดแปลว่าถ้าเรากลับมาเกิดใหม่นีจ่จะเสียหายเลยเราโยกกาชาตินี้เท่านั้นน่ะอันนี้พูดเ ห, ห้เข้าใจงงตัวเตือนนคือมีโอกาสชาตินี้เท่านั้นแหละชาติต่อไปเนี่ยใช่ไหม โอกาสโอกาสไม้เลี่ยนทำไมยุคหนึ่งประเทศชาติหรือบ้านเมืองในทุกประเทศเนี่ยจะเกิดความเดือดร้อนด้วยโอกาสในการจะศึกษาประทับจะเอาจริงเอาจังก็จะน้อยลงเพราะความวุ่นวายจะเกิดขึ้นมากมายคือภัยต่างๆนะภัยจากพินจากน้ำจากไฟจากลมจากพะเลาชาจากอะไรต่างๆให้เยอะแยะไปเลยอย่างทุกวันนี้มันก็เริ่มุดฉนั้นแต่แต่ความเป็นไปของสังขารเนี่ยนะ ทั้งสังขารทั้งที่มีใจความและไม่มีใจความยิ่งยุกเสื่อมต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะไม่มีโอกาสดีขึ้นแน่นอนการศึกษาว่าทำก็จะผิดพลาดขึ้นส่วนมากโอกา ส, กาสกาาทาสีส่จะศึกษาตรงตามกระทำคำสอนจริงๆเปจังน้อยฉะนั้นถ้าตอบมาเกิดใหม่เชื่อว่ามูต่อไปเราก็ตั้งหลักใหม่จะศึกษาตั้งแต่อายุสักห้าปวงเนี่ยไม่ดีเชื่อไหมชันไม่ค่อยถูกเลย สิ่งที่ดีที่สุดก็คือรี้วคว้าอาชาตินี่นยนี่ไงคว้าอาชาตินี่มันติดไม้ติดมือเร่องมากเลยถูกเขาที่จะทําได้แล้วก็ไปหาหลบอยู่ในภกใดภพหนึ่งเขาไปดุจสาจอนี่นะแต่จะ่าไปหลบในภูมิที่ต่ำนะไม่ใช่ที่หลบก็ก็มีอยู่นี้เท่นั้นงถ้าจะลืมก็มองไปอีกนะเพราะว่าแล้วก็อยากเช่นว่า ในเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยบวกวันหนึ่งปีหนึ่งห้าสิบปีของมนุษย์นี่รองคิดดูของเขาเลยไม่กี่วันของเขาในชั้นจาตุมเนี่ยอายุของพระศาสนาหมดเรียบร้อยแล้วหรือหนักเฝ้ากอายุก็จะลดลงเวยคนก็จะใจหดร้ายมากขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที ท, ที่จะต้องสั ง, งวรระวังกันเลยนะ ประการต่อมาเขบอกว่าวิญญาณใดสั่งสมสันดานของจิตก็คือวิญญาณเป็นความสื่อต่อของตนโดยจะทําให้เป็นไปไม่ขาดสายคําว่าย่อมสั่งสมสันดานหมายความว่าสื่ต่อของตนโดยจะทําให้เป็นไปโดยไม่ขาดสายด้วยอํานาจของอ น, น, นอันทระชั่งอนันทราชั่งนันทโรปัญญสยปใจเนี่ย ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าจิตหมายเอาจิตทั้งหมดเลยทั้นจิตทั้งหมดนี่นะเวลาเขาเกิดขึ้นมานี่นะเขาจะสืบต่อจิตต่อกันโดยไม่ขาดสายอันนั้นเป็นการสั่งสมสันดานคำว่าสั่งสมสันดานก็คือการสืบต่อคือมันไม่มีเหตุปัจจัยใดๆที่จะทำให้จิตนั้นสะดุดหยุดลงได้เพราะว่าการจะทำให้จิตนั้นสะดุดหยุดลงได้นั้นต้จะต้อง ใช้ระดับมัดทั้งสี่มีโสดาวปฏิมาเป็นต้นใช่ไหมทีนี้ในสังสารวัตรเนี่ยจิตของเหล่ า, าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นไปในกรารมประภูมิรู ป, ปรภูมิและรู ป, ปรภูมิเนี่ยที่มันเกิดกับสื่อต่อกันอย่างไม่ขาดสายปปยกพยายามเชื่อว่าถ้าจะอยู่ในในรู ป, ปรภูมิเนี่ยสมมุติว่าจะลงมาในกรารมประภูมิเลยเนี่ยตั้งแต่จิตไกลกันแสงไกลแต่เขาก็ขนาดอยู่เดีย ว, วเท่านั้น เราตัอยากเช่นว่าจุดตีกิจในรูปกระพุ้มแต่มันเกิดในกลามกระพเนี่ยนะก็เพียงขนาดจิตเดียวฉะนั้นระยะเวลาถึงจะห่างไกลกันไม่รู้กี่พันกี่ล้านล้านยอเนี่ยแต่การเกิดตับสื่อต่อกันก็แค่ขนาดจิตเดียวเนทะ่านั้นใช่ไหมเขาก็เป็นเป็นการสื่อต่อกันเป็นไปตามลำดับใ น, น, นรัตน์ด้วยอํานาจของอนันตะระปัจจัยเลยเพราะปัจจัยเหล่านี้มันเน็ขาดเพราะไม่ได้ทําลาย กิเลที่เป็นเหตุแห่งการสื่อต่อกันของจิตฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าโดยการจะทําให้เกินไปเลยไม่ขาดสา ย, ยเรื่องาน้าแห่งอ น, น, นันต ร, ระสม า, น, านันตระปัจจัยที่ต้นนลักษณะอย่างนี้หรือวิญญาณอันนี้เขาเรียกว่าจิตฉะนั้นธรรมชาติของจิตที่จะต้องมีการสื่อต่อการสื่อต่อก็หมายความว่าสังสารวัฏมันไม่ขาดนะ ที่เราบอกว่าเป็นการสื่ต่อถ้ามองในฐานะของผู้ศึกษาว่าทำก็คือว่าเป็นความเจ็บปวดแล้วล่ะใช่ไหมคือที่มันไม่ดับมันไม่ขาดเนี่ยคือความเจ็บปวดเพราะว่าที่ทํายังไงเราก็หยุดไม่ได้เราหยุดยั้งไม่ได้เมื่อวันก่อนเขาไปนั่งเขาพาพาไปหายโยมที่เขาป่วยเป็นเป็นโรคมะเร็งจะเป็นมะเร็งทีง่ระยะสุดท้ายเอง มนมะเรยงที่ตับกระพอะเวลาไปนั่งคุยก็ก็ไปถามบอกว่าใจสู้หรือเปล่าแกก็บอกว่ายังยังพอสู้ไหวก็เลยบอกเลยตรงเดี๋ยวต่อไปก็สู้ไม่ไหวเ <c oughs> พจริงๆเลยอย่างี้ยก็ตนะนะนี้คนไม่มีพื้นฐานได้อย่างพวกเราเนี่ยนะ แต่ว่าถ้ป่วยเนี่ยไปไปบอกกันเนี่มันก็เป็นเรื่องปกติเะถ้าบอกคนมีพื้นฐานไม่ดีนะแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีพื้นฐานในการศึกษาและทำะเลยโอ้ไปพูดอะไรมากก็ไม่ได้จะพูดแต่ละทกะ า, มม า, ละาก็ต้องคอยระมัดระวังใช่ไหมถ้าอย่างเราเนี่ยก็ปเป็นเงื่อนเนี่ยต่อไปจะเปลี่ยนภพแล้วเนี่ยงัดขักัน ในที่นี้ในปรมัตารย์ปณีดีกาแสดงกันไว้ที่บอกว่าความที่พวกตับยราฉานเหล่านั้นวิจิตก็เพาะกําเนิดวิจิตกําเนิดวิจิตกระเพาะวกรรมวิจิตกรรมวิจิตก็เพาะศัสหาวิจิตศาสนาวิจิตกรเพาะสัญญาวิจิตสัญญาวิจิตเพราะจิตเป็นธรรมชาติอันวิจิตอันนี้พอจะมองเห็นเนีไหมบอกว่าความตับยราฉานเหล่านั้นวิจิตเพราะ กรเนิดกรรเนิรดนี้อะไรกรรมเนิดตีกรรเนิดวิจิตก็เพราะเพราะกรรมกรรมที่กระทำทางกายทางวาจาและทางใจในวิจิตฉะนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนได้กรรเนิร์ดที่แตกต่างกันออกไปอย่างนี้มั้ยบางคนก็ได้โอปปาติตกะกรรเนิรดบางพวกก็ได้สังเสริฐกุช้าบางพวกก็ได้ชลาภูชาค ร, รับสังเสริยกขเพราะว่าแต่กันฉะนั้นเป็นเพราะกรรมไอ้กรรมวิจิตเนี่ยเพราะอะไรเป็นเป็น ตัณหาตัณหาเป็นอย่างเหนียวเงี่ยเมื่อคนอยากจะทําอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะตัวตัณหาอย่างเดีเป็นเด็เป็นปใจใัจจัยคนทคําก่อนตัณหาวิจิต ก, ก็เพราะมันจําได้เนี่ยความจำเนี่ยนะสัญญาวิกกจิต ก, ก็เพราะจิตเป็นธรรมชาติจิตในอัตตาที่มีนะอัตตาที่มีเนี่ยนะให้ความหมายของจิตไว้สิ่งความหมาย มีคำว่าจิตมีคำว่ามาโนโหาไทยมนานั่งเปนต้นที่ชื่อว่าจิตเพราะความที่จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่วิจิตวิจิตโดยการอาระไรประกอบกับภูมิวัตถุอารมณ์และวิถีเหนียวชนะเป็นต้นถ้าถามบอกว่าความวิจิตของเ้าเนี่ยบอกว่าเป็นประเภทตามมาภูมิรูปภูมิมารูปภูมิก็เชื่อว่าวิจิต วัตถุก็คือว่าอาสัมปันธิ์ที่ตางสายจะผูกวัตถุโสตวัตถุฆาแลววัตถุชี่ยวหาวัตถุเป็นต้นเนี่ยนะตลอดถึงอาสายอาตายาจุลื่อก่อนเขาก็มามานั่งคุยคุยกันเขาบอกว่าคือท่านอาจารย์ด้วยนะตอนเนี้ยเขาก็เข้าไปคุยนในอินเทอร์เน็ตเขาว่างั้่ไหนคือนักศึกษาธรรมะเนี่ยเขาก็เปิดอินเทอรเน็กเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับ แล้วเขาก็เขาก็พิสูน์ออกมาให้ดูเนะ่ยเขคุยกันเรื่องว่าจิ ต, าตอาศัยหัวใจเกิดในะกลุ่มหนึ่งแล้วอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าจิตไม่อาศัยสมองแล้วก็ปุยกันทีนี้คนที่เป็นในแพทย์ก็ ว, นะว่าไงเขาบอกว่าเออจิตเนี่ยจะต้องอาศัยสมองเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย เวลาเขาผ่าตัดหัวใจเนี่ยก็ตัดออกทั้งหมดเลยก็ราว่าแค่นั้นฉะนั้นเมื่อตัดออกทั้งหมดแล้วเนี่ยเกิดอะไรอะไรหัวใจเสื่หมเพราว่าที่เขาก็เขาก็มาถัมก็เลยบอกว่าก็เลยย้อนถามไปบอกว่าคําว่าหัตถเยวัตถุเนี่ยหัตถเยวัตถุเนี่ยเป็น เป็นมหาโพธโลกหรืออุบาทายาโลก ท, <ะ>ที่เรายกตนเอาเลยใช่ไหมถ้าจะวิจัย ใ, ในเรื่องเนี้ยมันต้องไปไปยกในในภูมิชั้นต้นๆเนี่ยมาศึกษา เ, เป็นมหาโพธิโลกหรืออุบาทายาโลกเป็นอุปาทายาโลกใช่ไหมทีนี้ว่าเป็นอุบาทายาโลกแล้วเนี่ยขาทยวะวัตถุเนี่ย ในบันดาอารมณ์หกเนี่ยเขาเป็นอารมณ์ประเภทไหนเป็นรูปารมณ์ตาตาลมกันตาลมและตาลมโธตารมณ์หรือธรรมารมณ์ใช่ไหมเอาเป็นธรรมารมณ์เอาเมื่อเป็นธรรมอารมณ์เนี่ยจะรู้ได้โดยจักหูวิญญาณเพราะเต่าชันกันเลยรู้ได้โดยมโนวญเมื่อรู้ได้โดยมโนวิญญาณนี่ไหมหรือมัทธรรมอโนวิญญาณหมายความว่าทัางจิตที่เกิดขึ้นทธรรมอสวานเนี่ยต้องเป็น ถามว่ารู้ทางดวลจิตของใครตอบแรกใช่ไหมคือใครเนี่ยเป็นคนไปรู้ ก, ก่อนว่ามีมีมข่าว่าหายใจวตถุเนี่ยใครรู้พระเจ้าฉะนั้นต้องอาศัยสารพันยุตยานนะที่เข้าไปรู้ไอ้หายใจ ว, วัตถุกับคือธรรมารงเนี่ยฉะนั้นตัวหายเย ว, วัตุเนี่ยเขาพอาศัย มหาภูริภพเกิดเมื่อเขาอาศัยมหาบุตรุ่เกิดเนี่ยจะไปวิจัยหรือเอามาดูด้วยตาด้วยอะไรเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าอันะฉยๆถูกไม่ได้มีสีใช่ไหมถ้าไปดูที่ไปเห็นไม่ได้เห็นอาันาเฉยๆถูกแล้วก็ไปเห็นสีอัเสียงก็ไปไม่ได้ไปได้ยินเสียงก็เป็นสรัทธาลมีซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ได้ ทนี้ที่เรารู้ได้เนี่ยพ่อใสปัญญาของรู้ได้แล้วแล้วเราก็รู้ตามที่เรางตุ๊กตเก้าเก็บเขาไว้ถ้าต่อให้นักวิทยาศาสตยังไงจะไปวิจัยยังไงมันจะเปลี่นได้ไหมนี่มันเหลือวิสัยที่จะไปวิจัยเลยตอนนี้เขาก็มาม า, มาสบมาทบ ก, กันเองที่จริงตรงเนี้ยเอพอไปคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยคนมงคลไม่มีพื้นฐานในการาาศึกษาเช่นคือด้านจิตก็ไม่รู้เลยว่าเป็นยังไง เจ้าสิ ก, สก็ไม่รู้เลยรูปก็ไม่รู้เลยแต่มาถบ ก, กันมาคุยกันเรื่องแบบนี้เลยไปกันคนละท่ศละทางเลยคือมันไม่มีคนคนหนึ่งเป็นหลักใช่ไหมแ้่ถ้าอย่างหลายๆคนเนี่ยคุยกันแล้วมันมีคนหนึ่งเป็นหลักอยู่พอหลังจากอจะไปไม่รอดแล้วก็มาถามคนที่เป็นหลักคนที่เป็นหลักก็ตอบกันตอบถ้าอย่างนี้มันจนะได้แต่ถ้าไม่มีหลักก็ไม่มีหลักคุยกันโอ้เข้าป่ า, าเลยแบบนี้ไปกันใหญ่อันนี้ ฉะนั้นการจะบอกว่าวิจิตเพราะวัตถุแล้วก็วิจิตเพราะอารมณ์แล้วก็เพราะวิถีประการต่อมาก็คือมนโนเนี่ยมนโนก็คือคว่ากาหนดกําหนดในที่นี้ก็แปลว่รารู้าอารมณ์มันเป็นไปในภลุ่มทั้งสี่มีการมาปูเป็นต้นส่วนมานัสนี่ก็คือคำว่ามนโนเนี่ยเพราะว่าทำที่สามปยุทด้วยใจเรียกว่ามานัตเป็นต้นมีความหมายหนึ่งคือคําว่าคาทัอคาทยัาทยอาทัย คาไทยในที่นี้แต่ ว, ว่าอยู่ภายในประหมายนี่แค่นั้นแล้วก็คําว่าปันดระปันดระนี่ไปเจอในอัตถิฐานในที่ตูต้ไปก็แปลว่าบริสุทธิ์ทีนี้คําว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายเอาเติมมาจากพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสูตรหนึ่งบองกดูความที่สูทธทั้งหลายที่นี้ประพัดสอน แต่จิตนั้นแหละเท่ามองแล้วด้วยกุปเกลีที่จอนมาฉะนั้นคำว่าปันดาราในที่นี้จึงหมายถึงอะไรหมายถึงผวางกับจิตนะถ้าเราไปได้ยินสาวคำว่าดูก่อนยิ่งสูทั้งหลายจิตที้ก็พระสอนนะนะปันดาราในที่นั้นะแปล ว, แว่าพอพระสอนนี่นะในที่นั้นหมายเอาผวางกับจิต โดยทำไมพระวังกษิตนั้นจึงจิต จ, งจึงเลียกเพาเป็นจิตที่พระพสกเพราะในพระวังกษิตนั้นไม่มีกิเลสใช่ไหมไม่มีกิเลสเขาบอกแต่เศร้ามองแล้วเพราะในขณะที่ขึ้นสู่ฌ า, านนั้นนี่ที่เป็นไปอย่างนันส่รรวนอีกความหมายนึงก็คือคำว่ามานาเยตนะหรือมณนมันอาเยตนะคือใจชื่อว่าอายตนะก็เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นบอกเกิดก็ได้ มีหลายชื่อนะหนึ่งเป็นที่อยู่อาศยสองเป็นบ่อเกิดสามเป็นที่ประชุมแล้วก็เป็นถิ่นเกิดหรือเป็นการะเป็นเขตก็ได้เป็นที่อยู่ถ้าเป็นที่อยู่ก็คือว่าเป็นที่อยู่ของจิตอย่ยกตัวอย่างเช่นจับฝายยัจนาเป็นต้นหนึ้งทีนี้ลักคณาที่จตุการเลยนะของจิตเนี่ยหนึ่งมีการรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะ รู้ตรงนี้เลยเนะี่ยประการที่สองก็คือว่าขบพังคมาราสังก็คือมีการเป็นประธานเป็นประธานของกรรมยุทธธรรมอันนั้นคือหน้าที่ของเขาส่วนประจุประธานก็คือมีการสื่อต่อทั้งจิตจะต้องมีการเกิดจับสื่อต่อกันโดยไม่ขาดสายประการสุดท้ายมีอะไรจะเดือดกันวิญญาณมีอะเดือด ก, ก, กันแวมีนามรูปไปเดือกันหลับปัญยาตาเนี่ยนะ ก็มีนามรูปเป็นเหตุใจนามรูปปัจจัามีนามรูปเป็นเหตุใจวิญญาณปัจจยานามรูปบางอย่างมีนามรูปเป็นเหตุใจอัะนั้นคือลักษณะที่จตุจตุการความมายก็ว่ามีการรู้แก้งอารมณ์มีการจินตทานและมีการสืบต่อในกันปรากฏมีมีเป็นใจในลักษณะนี้ก็คือว่าวันนี้ก็จะตรงนี้คือว่าทีนี้บอกว่ามีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะเนี่ย ถามบอกว่าการรู้อารมณ์นั้นเขาจะรู้แบบไห น, นแบบสภาวะลักษณะหรือสา ม, มัญยลักษณะจิตในการรู้อารมณ์เป็นลักษณะเนี่ยรู้แบบไหนก็นบอกว่าสภาวะลักษณะหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะทำนั้นในทีนี้มีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะก็ได้แก่จิตส่วนสา ม, มัญยลักษณะเนี่ย หมายถึงลักษณะทั่วไปของสภาพธรรมอันได้แก่นิจกรรมทุกฐานอันั้นตาลักษณะในที่นี้หมายเอาเฉวาวัลณะนะัยคือลักษณะเฉพาะตัวคือลักษณะของจิตนั่นเองที่นี้ในกิจการของปรัสนาเนี่ยต่อไปก็มาเึกษาที่ต่อจากทั้งที่แล้วที่บอกว่าในหน้าเขางอาัตถะ ที่พระพุทธเจ้ากลับเกี่ยวในเรื่องของอรถาธิบายบทละคถามมาขยายบอกว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะแล้วก็จิตกลับมจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตกลับมจากราคะในบทว่าตาคังจิตมีราคาได้แก่จิตที่เกิดพร้อมหรือจะหอรพลด้วยโลภะแปดดวงสวดวีราคังจิตกลับมาจากราคะ ก็ได้แก่จิตที่เป็นกุศลอัิญญาต่าฝ่ายโลภียะกุศลเจิดสี่ดวงที่เหลือหมายถึงโทต่ามูลสิทธสองโมหะมูลสิทธสองแล้วก็จิตจิตที่เหลือนอกนะั้นแล้วทีนี้ทั้งจิตแล้วก็พูดถึงเรื่องของลักษณะของโลภะนะพูดถึงในเรื่องของลักษณะของโลภะว่าลักษณะของโลภะเนี่ย สภาพของโลภะมูลจิตทั้งหมดนี่มีอยู่แปดวงเนี่ยนะในแปดดวงในโลภะทั้งแปดวงเนี่ยถามบอกว่าโลภะมูลจิตโลภะเขาแปลว่าความโลภเนี่ยชนมูลนี่ยหมายถึงรากเงาจิตนั้นก็หมายถึงจิตนั้นเขาบอกว่าจิตที่ประกอบด้วยความโลภเป็นมูลชื่อว่าโลภะมูลจิต ก็แปลว่าจิตที่มีความโลภเป็นมูลพอสภาพใดย่อมอยากได้เพราะเหตุนั้นสภาพนั้นชื่อว่าโลภะเนี่ยนะทีนี้เหตุเหตุที่ทับจะทำให้เกิดโลภะเนี่ยก็มีอยู่สี่อย่างหนึ่งปฏิสนธิมาด้วยกรรมที่มีโลภะเป็นบริวาร น, นี้ได้พูดไปเลย กมหมายความว่าคนที่เกิดมาในปัจจุบันนภพหรือสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาในปัจจุบันนภพเนี่ยเป็นคนที่มีอัธยาสัยน้องไปหาความโลภเป็นส่วนมากเนี่ยบุกคนประเภทนั้นก็แปลว่าทํากรรมที่มีโลภเป็นบริวารมาในอดีตคือเวลาจะทํากรรมอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะต้องมีโลภเนี่ยไปเกี่ยวข้องคําว่าโลภไปเกี่ยวข้องในที่นั้นก็หมายความว่ามีโลภคอยเกิดเกิดขึ้นติดต่ออยู่ตลอดเวลาคอย มีปัจจัยต่างมาเคื่อนหนุนที่จะเป็นปัจจัยเกิดโลภะอยู่อยู่เดือนนิดลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทำกรรมที่ที่มีโลภะเป็นบริวารประการที่สองก็คือจุตติมาจากพวกที่มีโลภะมากเป็พวกที่มีโลภะมากเนี่ยอาจจะเป็นพวกมนุษย์ก็ได้พวกของเทวดาก็ได้หรือว่าพวกเปรตอราจจะายเรื่รอยๆ ก, ก็ได้ ถ้าพบในมนุษย์ก็คือในกลุ่มที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันเอื้อโนยต่การที่โลภะเกิดได้มากทั้งรูปารมณ์ตถาอารมณ์ตเบอร์เหล่านี้ก็เป็นปัใจจใัยเกิดโลภะโดยส่วนมากแตอย่ายกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าเออย่างคนที่เกิดมาในตระกูลที่ดีๆเนี่ ย, เ, ยเช่นอยากรับโปที่สัตว์ทั้งหลายนี้ยเวลามาเกิดมาพวกก็มี เขาจะคัดคนที่ไม่น้ำออกไปแล้วคนที่จะมาอยู่เป็นบริวารแวดล้อมก็รู้ว่าต่เป็นนำน้ำได้ไนมเขาบอกว่าอย่างเชื้อชายสุทัศน์เนี่ยที่นากสนมแปดหมื่นที่พันนายแต่ถ้าอาภัสยเมตใจนะถ้าตอนที่อยู่คองพอจะอยู่เป็นราชกุมารยนีไงจะมีนางสนมเจ็ดแสนนาย แต่ในรัตนัอยอย่างนี้เอื้อมหนว ย, ยต่อการที่จะเกิดโลภะมากถ้าไม่มีโยนิสงฆ์นาคิการให้ดีนะโอ้โหโลภะเกิด ง, ง่ายว่ะมองไปที่ไหนก็มีแต่กำงามอย้งนั้นใช่ไหมมันก็เป็นปัใจจัยเกิดโลภะเช่นว่าถ้าอยากจะไปกินอาหารมองไปในร้านไหนก็มีโอ้โหของน่ากินอย่างนั้นโลภะเกิดง่ายเข้าไปในร้าน เ er ah สื้อผ <noise> ้าเนี <SU> ่ยมีแต่ช <careers> ุดงามๆอย่างเงี้ยในนี้ก็าเลื่อมเลยตัวโลบ้าี่ันเยอะแล้วบางคนเขาเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าเพราวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเขาได้เข้าไปเดินในห้างเขามาดีใจแล้วก็ก็ถามเป็นยังไงเขาบอกว่าเดินเข้าไปเนี่ยมันก็มีแอร์เย็นๆมีของสวยๆงามๆให้ดูเขาไม่ต้องไปซื้อแล้วเขียนเขาได้ไปดูหรือได้ไปหยับนิดๆหน่อยๆแล้วก็ชื่นใจดูไปตามโลบ้านมันเก่ง ในลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นพบที่มีโภลภะประการต่อมาคือว่าได้ประสบอารมณ์ที่เป็นอิจฉารมคือได้รับอารมณ์ที่ดีแล้วก็ได้พบเห็นสิ่งที่ชอบใจลักษณะอย่างเนี้ยฉะนั้นความโลภเนี่ยจะมีการยึดถือเนี่ยเป็นเป็นลักษณะความโลภเนี่ยมีการยึดถือเป็นลักษณ ะ, โ, ษณะโดยเฉพาะโลภผ่านดวงและจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยนะ เเกิดขึ้นด้วยสมานะเนี่ยคือความดีใจเนี่ยแล้วก็ไอ้สากกตังในที่นั้นก็แปลว่าเกิดพรสิทธิ์จิตที่เกิดพรสิทธิด้วยความดีใจเนี่ ย, บบยนะ เ, เ, เขาบอกว่าเหตุตัจงใจของการเกิดที่จะเป็นคนเกิดมาด้วยจิตที่เป็นสมานะนั่นเองเาบอกปฏิสนติมาจากจิตที่เป็นสมานะก็แปลว่าถ้เาเป็นมนุษย์ก็เป็นมหาวิบาศสมานะใช่ไหมเป็นวิบากสมาัะ ถ้าัดีละขาในปฏิสตอันนี้สป็ิที่เบญจโส ม, มนัสไหมไม่ใช่เป็นเบขาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีความคิดลึกซึ้งเป็นปกติตัวแปลกนะแต่คนที่คนที่ทประเภทโส ม, มนัสเนี่ยไม่ค่อยดูรายละเอียดอะไรเห็นอะไรก็ยิ้มไว้ก่อนหัวเราะไว้ก่อนดีใจไว้ก่อนอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีความลึกซึ้งก็คืออักมภีระปกติ คือเป็นคนมีความไม่ลึลลกซึ้งเป็นปกติซึ่งมันกีดกับคนที่ปฏิสตีบมาด้วยกิดที่เป็นอุเวกฐานะต่างกันถ้าประเภทเนี้ยเห็นอะไรก็ต้องเอามาต้องต้องวิเคราะห์ก่อนอย่างนี้ไปต้นน่ยคือไม่เรีบด่วนในการที่จะมีหัวเราะไม่รีบด่วนแต่บางคนก็คือกลุ่มที่ประเภทที่ไม่ค่อยลึกซึ้งเนี่ยยังไงก็เ อ, อ่ยย้มไว้ก่อน ไ, ได้ประสบอิทธารม แล้วก็ค้นจากความเสื่อมห้าประการเนี่ยพ้นจากความเสื่อมย่ า, นนะ า, าเสื่อมจากโรคเสื่อมจากสี่งที่บาดจะพ้นจากโภคาจะเสื่อมโภคาแล้วก็จากความมีจิตทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของเออโลภะเกี่ยวกับในเรื่องของโสมนะดวงหนึง่งดวงที่สองเวทเทอร์เหล่นี้ยก็พูดในเรื่องของทิศจิตเพราะจิตเหล่านี้ยในกรณีที่เวลาเราศึกษาในกิตการปัตนาเนี่ย การที่บอกว่าจิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคาเป็นตัวเดิมาาเมบบนี้ยนะโดยเฉพาะถ้าจิตนั้นมีราคาแต่ตีราคาที่ห่อเราพอดีที่ผิดการเปิความเห็นผิดเนี่ยให้ความกาตรปฏิบัติเนี่ยก็เป็นวิธีการในการที่จะชาําระอยู่แล้วนะชาําระในการที่จะ ข, ขจัดขจัดความเห็นผิดความเห็นผิดเนี่ยถ้าถามว่าคำว่าทิพีเนี่ยโดยความหมายเขาแล้ว่าความเห็นนี่ไหม แปลวความเห็นแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็แปลว่าเห็นถูกถ้าไม่จากทิฏฐิก็เห็นีิดเนี้ยนะแต่ถ้าทิฏฐิเฉยเฉยถ้าบอกว่าทิฏฐิเจตสิกเนี่ยในที่นี้หมายว่าเห็นผิดเนี่ยทิฏฐิเจตสิกเนี่ยเพราะว่าทิฏฐินั้นไปเสารพลดไยประกอกบกับโลภะฉะนั้นในเรื่องของทิฏฐิเนี่ยในหลักคําสอน ท่านจะกล่าวบอกว่าความยึดมั่นอัตตาความยึดมั่นอัตตาเในเวลาเราอ่านอ่านคาว่าโลโลภะทิฏฐิขาตตนะมีคำว่าทิฏฐิ เ, เขาก็มีขาตต์ขัาตตแนกมาด้วย เรียกว่าทิศผิดขัดตาคำว่าคตาในคําว่าทิศผิดขัต า, าเานี่ไม่มีความหมายโดยเฉพาะนะไม่มีไม่มีความหมายโดยเฉพาะมันเหมือนคําภาษาไทยเราทาี่พูดที่มันพ่วงออกมาแล้วมันโลอะจะทำให้มันโลภะเองนะฉะนั้นทิศผิดขัดตาจะมีความหมายว่าความทิศผิ ทีนี้ในลักษณะของความเห็นผิดเนี่ยหรือความยึดมั่นอีกอย่างนึงที่เขาเรียกว่าอัตตาอัตตาแต่คำว่าอัตมียานี่ยเหมือนกันนะอัตตาแต่คำว่าอัตนียาถ้าอัตนียาเนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอัตนียาี่เนี่ยที่เป็นไปโดยในว่าอัตตานียั่งยืนอัตตาไม่ยั่งยืนนี่ย ลักษณะอย่างนี้เป็นทิฏฐิขตานเขาเป็นไปคือหย่างลงไปในทิฏฐิหกสิบสองก็หมายความว่าในทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะที่แปลว่าหย่างลงไปหรือย่างลงไปในมิจฉาทิฏฐิทั้งหกสิบสองที่เขาเรียกว่าทิฏฐิขตานนั้นทิฏฐิโดยทั่วไปเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มๆใหญ่เนี่ยนะเวลาเราจะศึกษาทิฏฐิเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มทิฏฐิสามัญกับทิฏฐิที่พิเศษ ถ้าทิฏฐิสามัญได้แก่สักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดที่เกี่ยวกับกายใช่ไหมกายในที่นี้ได้แก่ขันห้าที่ไปยึดมั่นในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันขันและขันและวิญญาณในๆอย่างนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิสามัญพวกเรามีไหมทิฏฐิประเภทนี้มีไหมสักกายทิฏฐิมีไม่มีมีไหนต้องบอกว่ามีด้วย เช่นไปเย็ดมั่นว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นของเราเป็นต้นเหล่านี้ยลักษณะอย่างนี้เป็นทิฏฐิสามัญถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีโดยทั่วทั่วไปแล้วก็เป็นทิฏฐิที่ควรกําจับไหยควลาไม่เป่นทิฏฐิแบบนี้ถ้าปล่อยเข้าไว้มันจะกำเริบไหมกำเริบถ้ามันกำเริบมันจะกลายเป็นทิฏฐิพิเศษไอ้ทิฏฐิทพิเศดมีนิยตามีฉาทิฏฐิมีอยู่สอย่าง อัคคียาทิฏฐิอัเหตุการณ์ทิฏฐิแล้วก็นักกิการณ์ทิฏฐิถ้าอัคคียาทิฏฐิหมายความเห็นว่าไม่เป็นอันทำนี่แต่แปลไปแปลไปกามความหมายเลยนะจะแปลออกมาแล้วไม่รู้ทำไปรู้เดเข้าใจเลยอัคคียาทิฏฐิก็หมายความว่ามีความเห็นว่าไม่เป็นอันทำอเหตุการณ์ทิฏฐิเห็นว่าหาเหตุไม่ได้หรือไม่มีเหตุ อนัตติกาธิฏิเห็นว่าไม่มีอัจเริยกิติเห็นบอกว่าการกระทําเนี่ยที่จัดว่าเป็นความชั่วเป็นความดีเนี่ยไม่มีไม่มีคนจับได้ไม่มีคนลงโทษลัคนะอย่างเนี้ยนะต่อมีคนรู้จับได้ลงโทษต่างหากจริงจึงมีโทษส่วนซึ่งจัดว่าเป็นดีก็คือไม่มีคนรู้เนี่ยไม่มีคนชม ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอัจริยะพิธีคำว่าทำชัว่วทำดีเนี่ยไม่เรียกว่าทำไม่เรียกว่าเป็นางานการทาส่วนอิเหตุกาสณ์พิีเนี่ยอันนี้ปฏิเสธอะไรปฏิเสธจริงเขาบอกว่ากลุ่มนี้บอกว่าเร่องที่เราได้ดีเนี่ยจะ คนเราจะได้หรือได้ความเรียวไรในชีวิตเนี่ยก็เกี่ยวกับเคาะนั่นเองที่เรียกว่าเคาะดีเคาะร้ายถึงข่าวเคาะดีก็ได้ดีถึงข่าวเคาะไม่ดีก็ก็แย่ลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่าไปเชื่อไปเชื่อเหมือนลักษณะว่ามันไม่มีเหตุหรอก มันเหมือนกับบังเอิญอย่างนี้นยเสมือนกับลักษณะละเอียประเกิดโดยในกลุ่มพวกนี้ยเขาเป็นกลุ่มที่เขาเคยเลิกชาติได้นะโดยส่วนมากที่เขามมีความถิงติดประเทศถึงประการต่อมาคือหน้ากีการที่ถี่อันนี้เรียดว่าตัดบุคคลไม่มีอันนี้จะเห็นด้วยความเป็นแหล่เป็นท่าเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าจะฆ่าคนให้ตายเนี่ยอันนี้ก็ก็ไม่เรียว่าท่าก็เป็นเป็นการ เอาดน้ำไปลไป้มเป็นแท็กดึงน้ำไปล้มให้ขาดเาอาอย่างนี้ความเห็นตัวเพียรนี้ก็งานค่อนข้างค่อนข้างเยอย่าลืมนะว่าความเห็นตัวเพียรนี้ไม่ได้อยู่ไกลอย่างเราเท่าไหร่เพราะปัจจุบันนี้เรามีเชื่ออยู่แล้วเราคือตัดแต่ระยะที่สัเพียงแต่ว่าเติม เ, เข้าไปเรื่อยๆบ่อยๆเขาในที่สุดจริงๆมันเป็นธาตุเดียวกันอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ลงกันนะวันใดวันหนึ่งมันลงกันได้เราก็กลายเป็นตัวระเภท อาเหตุโอกาสที่ผิบ้างอกิริยาที่ผิดบ้างมากิการที่ผิดบ้าฉะนั้นอาริยาที่ผิดนี่ยปฏิเสธลำพังการกระทําหรือปัจจัยภายนอกคือบุคคลผู้พ่วงโดยผิดคติแห่งวัฏฏะศาสนาที่ถือว่าการกระทําเป็นเหตุเช่นเวลาคนต้นเราตาของเขาแล้วก็ถ้ายังจับไม่ได้ก็ได้ความเดือดร้อนใจเรยลักษณะนี้นะ สว่วนอาเหตุกาุิุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุอุ น, นุุุุุุุุนนุุุุุุุกุากรกก า, ร า, า, าุุุุุุุุุุุุุุุาุุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุ ง, งุงงุุธุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้าทั้งหุุุุุุุุุุเุุุุุุุุุุุนุุุุุุุุุุุุุุุุุุเาาุุเุุุุุุุุุุุุเุุุุุนุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุเุุุุุุ ถ้าหากในหลักการศึกษาของในหลักการพุทธศาสนาก็ถือว่วมีทีนี้มีการแยกออกมาเป็นสัสธรทิฏฐิแล้วก็อุเชททิฏฐิถ้าสัจธรรทิฏฐิสัจธรทิฏฐิเนี่ยเกิดในโลภะเรื่องเกิดในโลภะทิฏฐิทักษะสัมบูญย์ี่แหละตีลวงเนี่ยสมานะสองเบิกาสองเนี่ยเนี่ยคือความเห็นว่าโลกนี้ ไม่มีอะไรสูนย์สักและคนตายแล้วตายแต่ร่างกายเป็นต้นอะไรเงี้ยเลยบางทีก <Jonas> ็เรียกว่าอ <t universes> ัตตาหรือชีอะไรต่างๆมันจะเจอคำพูดบ้างเป็นธรรมชาติที่ไม่สูนก็ถือปฏิบัติที่กำเนิดขึ้นมาใหม่ไอ้คนเห็นในการเป็นตัสตลาดทิฏฐิเนี่ยถ้าไม่ศึกษาคำสอนเลยมากเป็นตรัดตาทิฏฐิอันนี้ไม่ได้ไปเลยนตำหนิกันสมมุติเราไม่รู้เลยแล้วบอกว่าตายเราเกิดไว้้เราตายแล้วเกิด อาตายแล้วเกิดจะยังไงบอกก็ตายพุ๊บก็มีอะไรออกจากร่างไปแล้วก็ไปเกิดใหม่มหรือบางทีแล้วก็เห็นบอกว่ามีรอยออกมาเป็นดวงดวมเป็นต้นแล้วก็ไปเข้าท้องคนนั้นคนนี้การเห็นในลักษณะนี้ก็เป็นกลุ่มสัตว์ต่าง ท, ที่ดีใช่ไหยจ๊ะ แั like said, ่นถ้าหาไม่ศึกษาก็สอนให้ละเอียดว่าเออจริงในการเกิดเนี่ยเขาก็เกิดติดแบบการสื่อต่อนะเหมือนกับาวังเนื้เช่นว่าปฐมผวังกับภูติยะผวังเนี่ยผวังดวงที่หนึ่งกับผวังดวงที่สองเนี่ยมันเป็นผวังเหมือนกันไม่ใช่งวงเดียวกันนั้นถ้าไปเห็นว่าผวังสองดวงไม่เป็นผวังดวงเดียวกันเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นปฏิบที่มาได้หมาหลาดวงที่หนึ่ง พอจิตดวงนั้นทำปฏิสติสิทธิแล้วต่อมาจิตดวงนั้นต้องมาแปลสภาพเป็นผวังก็คือดวงนั้นนั่นแหละไม่ใช่ดวงอื่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จริงนะใช่ไหมแท้ที่จริงปฏิสติสิทธิจับไปหมดแล้วไม่มีเหลืออยู่แล้วแต่ก็นีผะองผวังเกิดขึ้นมาเนี่เป็นอนันตระสมานตระปัจจัยใช่ไหมแต่ผะของวังไม่ใช่ปฏิสติสิทธิแต่เป็นจิตประเภทเดียวกันกับปฏิสติสิทธิแต่เมื่อจิตคือเป็นจิตประเภทเดียวกับปฏิสติสิทธิเนี่ย มีเจตนากรรมแน่ดีประเภทเดียวกันจะมาเช่นการมที่เกี่ยวกับการให้ทานและสารสิในในในกลุ่มกรรมนั้นนั่นแหละกรรมเหล่านั้นจะแต่งปฏิบัติแล้วก็ทําให้พขาวังเลยมชนกกรรมก็แต่งทําให้พขาวังนั่นเป็นไปในภพนั้นน่ะเท่ากับอายุไขของคนในในในภพนั้นเป็นต้องตัวชนกกรรมก็แต่งตัวอุบาสธรรมกรรมก็มาคอยอุปาสธรรมทาให้พขาวังนั้นเป็นไปตลอดอายุขัยของท่านคุณนั้น แม้ก็วังน so ั called, said, ้นเกิด so, ด um, hey, anyway, so ับสื่อต่อกันแต่เวังก็ไม่ใช่ดวงเดียวกันขนาดเขาวังยังไม่ได้ไม่ใช่ดวงเดียวกันแล้วป่วยกล่าวใบใหย่จุดตีจิจเมื่อดับเมื่อไปปฏิสนทธิในข้อใหม่เดี๋ยวเราไปเข้าใจว่าเอ้ยตัวตัวนี้ยตัวปฏิสัธิก็ก็ดวงนั้นแหละปวังกับดวงนั้นแหละจุดตีจิตก็ดวงนั้นแหละเป็นจิจตัวเก่งเดียวกันก็เลยเหมาว่าคือจิตดวงเดียวกันเนี่ย เมื่ได้เขาว่าดวงเดียวกันก็แปลว่าเป็นจิตดวงที่เชื่อมหมายบางดวงที่หนึ่งตระกีตเดียวกันอย่างนั้นนหละใช่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอเขาเกิดดับตายเขาจะกลับมาเกิดใหม่แบบนี้ไม่ใช่แต่ก่อนที่มันนั่งนั่งชิดแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่เขาไปมองดูเหตุกาวคือตัวกรรมใช่ไหมกรรมที่เป็นปัจจัยให้พระวามเป็นไปอ่ะก็ พวังนั้นก็เกิดดับสืบต่อกันทีนี้พอเรามองถึงพวังเนี่ยก็ทําให้ไปมองถึงตัวไหนมองถึงตัวอหิยาตุที่คนก็โตกเสียแล้วเนี่ยอหิยาตูเนี่ยเกิดดับมั้ยใช่ั้มเกิดดับเมื่ออหิยาตุเกิดดับแล้วเนี่ยเราจะไปบอกว่าตัวอหิยาตูเนี่ยเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะอหิยาตูเนี่ยก็เกิดจากกองใช่ไหม เมื่อเกิดจากกรรมก็มีกรรมในอดีตมาเดิน เ, เป็นปัจจัยเหมือนกันเขาก็เกิดดับเหมือนพระวันเกิดดับแต่เขาเป็นสภาวะของรูปธรรมแต่เขาเป็นเท่งสายกับจิตนะฉะนั้นการเห็นที่เป็นสัพสตาทิฏฐิโดยส่วนมากผู้ศึกษาก็ทําทไม่ดีก็จะมีความเข้าใจเป็นสัพสต า, าทิฏฐิโอเคต่อมาคืออุเฉระทิฏฐิอันนี้ง่ายต้องบอกว่าคนศึกษาทางโลกพิลึกมากเขาตอนนั้นเขาก็ไปทําสำรวจกันเขาก็บอกว่า ใครเห็นว่าตายแล้วเกิดใช่ไหมในกลุ่มที่ศึกษาแล้วแบบปริญญาโทปริญญาตรีกันเยอะหมดเยเพรเห็นว่าตายแล้วเกิดเนี่ยจะยกมือหลบแยมนิดหน่อยถ้าถามว่าใครเห็นว่าตายแล้วถูยกกันกลุ่มก็ยกกันกลุ่มหมเลยเพราะเาคือเขาเาคิดแบบไหนเขาคิดเหมือนพรยาตายาตรีคิดไง พี่เกย้มก็คือว่าทุกคนที่ตายไปแล้วเนี่ ย, <c oughs> ย ก, ก็ไม่เคยกลับมาบอกไม่เคยกลับมาบอกน้อกจากที่บ่ายายางยิ้มในตรงนี้นะเ <c oughs> ขาบอกว่าคนที่เขารู้จักเพื่ออะไรต่งตางๆตากาล้มหายตายจากมาก็ไม่ใช่น้อยแต่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่เคยมาบอกขเขาจริงๆหรื อ, อพบหน้าที่อยู่ทีน่นี่หรือเปล่น้ด้วยโมโอย่างนี้ยเขาก็เลยไม่เชื่อก็เลยเป็นประเภ ท, เทดูเฉยในที่สุดก็เห็นว่าขาดสูต แล้วก็ไอ้ที่เห็นในลกักษันไหนอ ย, อย่างนี้ก็ค่อนข้างเยอะเยอะมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เทศ่าประเภทสัตวตาทิพย์กับเขมเชตทิพย์เนี่ยสองกลุ่มนี้ใครน่ากลัวกว่ากันอ้าใครน่ากลัวนะคนประเภทไหนทำบาปได้มากกว่านี้สองกลุ่มนี้ประเภทเห็นว่าตัวขาดศูนย์นี่นะเขาคิดว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียว บางทีนี้ระดับผาพูดนาเลยเนียประเทศเนี่ยเขาไม่กลัวตายแล้วเาอาเกิดครั้งเดียวก็ตายครั้งเดียวกาเป็นอย่างนั้นได้แล้วจะไาเจเรินุ่นต่อเนอไมย่างนันไม่ต้องไปเจรด้รุ่นตแ ล, ล้วเรียนิ้งเออยากจะทาอะไรก็เรียครับพราะมันเกิดครั้งเดียวนี่แล้วก็ตายครั้งเดียวแล้วก็หมดแต่มันเป็นอย่างนั้นจริง เขาบอกว่าคนที่คิดแล้วก็หนาเกิดครั้งเดียวแล้วตายครั้งเดียวะสมมตินะสมมุติเรายังไม่มีข้อมูลอย่าง อ, างอื่นเขาอกเป็นความคิดที่เสี่ยงมากเสี่ยงก็คือว่าถ้ามันเกิดไม่เป็นอย่างที่เราคิดใช่ไหมแล้วที่เรากระทําอะไรตามอำเภอใจตามา อ, นาอนาหน้าที่เหลนเนี่ยก็บอกสวยเลยนี่ก็นี่ปวดเงินรวยเลยเสีเยงหายมากมากเลย นี่นี่นี่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มทิฏฐิส่วนทิฏฐิอีกประการหนึ่งนะอันนั้นเป็นทิฏฐิในมงคลสามจุดแปด น, นันเป็นทิฏฐิมงคลกสุตตามมงคลตัวต้นทิฏฐิมงคลเป็นยังไก็คือว่าถ้าได้เห็นลูกที่เจริญตาเป็นต้นเป็นมงคลก็ถือมันเป็นทิฏฐิอย่างนึงนะอย่าลืมนะแต่เออเช่นว่าบางทีเขา ตัววันนี้เนี่ยเขาเขาเาโชคดีนะเวลาเขาไปนเนี่ยเขาได้เห็นปลาชาเาวันนี้โชคดีมาอันนี้เป็นยิ่ีมงคลใช่ไหมหรือบางทีตื่นขึ้นมาว่าเขาเขาร้องวันดีเลยต้องเรียกเขาเป็นมงคลอันนี้เป็นพกสุดจากมงคลต่ออันนั้นก็เป็นกลุ่มนิจิจิเนี่ยคือกลุ่มทิชิคตาสัมปยุทธ์คือพวกสัมปยุทธ์ด้วยนิจิบางกลุ่มก็สประยุทธ์ด้วย อัจจะทิฏฐีบางกลุ่มก็ตามประยุทธ์ด้วยสัจจะทิฏฐีบางกลุ่มก็สัมสัมปยุทธ์ด้วยอุเฉะทิฏฐีบางกลุ่มก็ตามประยุทธ์ด้วยอัคคียะทิฏฐีอเยตุกาทิฏฐีนาคิกาทิฏฐีก็ถือว่าทิฏฐีมงคลสุต่าวมงคลเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็แล้วทิฏฐีมันจะมีมากมายเลยเอย่างนี้อันนี้ก็ไปแยกแยะทิฏฐีกันทิฏฐีทั้งหมดเป็นสิ่งีกว่คาควรจะขาจัด ไม่ควรให้เกิดขึ้นในใจเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีนี้เป็นกลุ่มที่โลภะใช่ไหมต้องบอกว่าโลภะมันเป็นจิตที่เป็นสมนัตินะต่อเป็นจิตที่มีโลภะเจตสิกเป็นมูลประกอบด้วยเจตสิกเราอื่นนี่อุปโสตเจตสิกเป็นต้นแล้วต่เป็นสมนัตคือเกิดพร้อมกับสมนัติเกิดพร้อมด้วยความดีใจและในจิต ด, ดวงนี้ยมีทิฏฐิประกอบเห็นผิด ก็แปลว่าอาจจะเห็นผิดประเภทไหนด้วยประเภทที่ถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายก็เป็นจักรยานทิศถี่อย่างนี้เขาเรียกว่าทิศถี่สามมันเมื่อมีทิศถี่สามมันต้องพยายามลดอย่าให้ทิศถี่พิเศษเช่นทิศถีมงคลสุตอมามงคลเป็นต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบางทีมันอดนไม่ได้เพราะการแนะนศึกษาว่าทำอยู่ดีๆเนี่ยนะท่านนะเับอยากจะปลูกไม้ที่เป็นมงคลใกล้ๆบ้านไดงไหม บางคนก็นปลกต้นามนขนนนขาข า, า, า, า, า, า, า, ามางบางคนก็ปูกที่บ้านที่บ้านนี่ครับตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาล้วมันจะมีต้นมะลุงมะลุมโปะแกล้เขาเขาบอกว่าให้ไปปลูกต้นมะลุงได้บ้างไม่เ็นเหนไก็ปลูกได้ไทุกวันเลยปลูกแตวันนี้ตายไปแล้วต้นมะลุง นี่ลักษณะอย่างนี้เป็นเป็นคิดถิแล้วก็เป็นอาสาขาที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเชิญชวนนี่เนี่ยนี่เป็นอางนิดดัทงที่ได้กล่าวบอกว่าในลักษณะของโลภามูลเิตรวงตรที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นเป็นลุ่มเปรเภทที่ว่าเป็น ปฏิสุทธินที่มาได้กรรมที่มีโลภะแล้วก็จุดเดมาจากพบที่มีโลภะมากก็แล้วได้ประสบอารมณ์ที่ดีแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่น่าชอบใจแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เจตะสิ่งอื่นเกิดขึ้นนี่อีความหมายหนึ่งเนี่ยที่จะทําความเข้าใจก็คือว่างเช่นปฏิสุทธิ์นที่เนี่ยด้วยต่อเล้าะด้วยจิตที่เป็นสมณะตเวทนาเนี่ยต้องหมายความว่าจิตที่ทําหน้าที่เกิดในพบใหม่เนี่ย สองบุคคลหรือเป็นวิบากนีงไงการทํากรรมเนี้ยเก่อนเป็นจิตดวงแรกทีนี้กรรมนั้นก็เป็นปัจจัยทำให้วิบากอุบาทเกิดขึ้นมาฉะนั้นวิบากที่วิบากเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นมหาวิบากดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนั้นก็เป็นสมณะเวียนานี่นะ นณะตัวสมนัตเวทนาเหล่าเนี้ยก็มีอารมณ์ที่เป็ น, เ, ปนเกี่ยวกับในเรื่องของนอกไปในเรื่องการสม น, นสเจริวความบอกว่าความเป็นผู้มีปกติไม่ลึกซึ้งเขาบอกว่าคนที่มีสมนัตเวทนานี่นะก็เป็นผู้มีปกติไม่ลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งเพิเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยจะมีวิจารณญาณในลมทั้งหลายที่ได้มาล้วย คือเวลาที่ได้รับอิทธาลมเช่นรูปสวยๆเสียงพ่ อ, พอเนี่ยก็ก็เกิดอความรู้สึกในการที่ว่าเกิดสมนัติเปนต้นวัเนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะมีวิจารณ์นะยานเรือลในการที่ได้ประสบ น, นั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสมนัตนะิเป็นอย่าง เนเหตุให้เกิดสมานะเออันนี้อันนี้ก็ไปไปพิจารณาทีนี้ส่วนในความหมายก็คือว่าการที่บุคคลเนี่ยจะเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะคือถ้าหากเป็นตุ่มที่เป็นคนที่มีโลภะทิฐมากๆเนี่ยประการแรกจะคือว่าถ้าเป็นโลภะดวงที่หนึ่งดวงที่สองในตัวเดียรักษณะที่มีทิฐิประกอบเนี่ย ความเป็นผู้มีสัตว์สัตว์ทิฏฐิเียนว่ายั่งยืนหรือเป็นอุเฉตทิฏฐิมีความเห็นว่ขาขัดศูนย์เป็นอัตยาศัยใช่ไหมมันมีสองกลุ่มถ้ามีทิฏฐิสามัญก็ก็ไม่เป็นก็ก็ยังพอควบคุมไนดะ้แต่ถ้ามันสูงเกินไปเป็นพิเศษก็เป็นประเภทอุเฉตทิฏฐิกลุ่มหนึ่งหรือว่าเป็นประเภทสัตว์สัตว์ทิฏฐิอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอัธยาศัยเนี่ยนะที่บอกว่า เป็นอัตยาสายัยภาวะที่วัดใจน้องไปเดยประการโดยมากกเร็วอัตยาสัยคือบางคนเนี่ยมีอัตยาสัยในการเสียตลาดแต่บางคนมีอัตยาสัยในการติดอยู่กับวัตถุลักษณะนี้มันตาน่างกันถ้าอัตยาสัยในการเสียตละดอันนี้เขาเรียกอาโลภะถ้าอัตยาสัยในการติดในรูปในวัตถุสิ่งของ่ออันนี้เขาเรียกเป็นโลภะแต่บางคนมีอัตยาสัยเห็นว่ายั่งยืนอันนี้เป็นพวก ศักดิ์สิทิเป็นอัตฉริยะใสแต่บางกลุ่มก็คือเห็นว่าขาดสูนยอันนี้กลุ่มที่เห็นเป็นอุเฉชทศัิ์สิทอันนี้เป็นเป็นอัจฉริยะใสนะบุคคลบางคนในชาติในอดีตเนี่ยนะเป็นคนชอบต้องเสพกับบุคคลอื่นบางคนก็ชอบฟังธรรมบางคนก็ชอบปฏิบัติลักษณะนี้ก็ก็จะแตกต่างกันลงไปเขาถึงบอกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าอัจฉริยะใสบางกลุ่มก็น้องต้อหาศักิ์สิท อย่างนี้เป็นไปอย่างเนี้ยนะส่วนประการที่สองก็คือว่าต้องเจอบหาบุคคลผู้มีทิฐิวิบัติจะมีโทษเยอะคือมีอัตยาสัยที่เป็นไปในทางทิฐิที่ไม่ดีมีศัตรามีอุเฉธาทนั้นประการหนึง่งส่วนต่อมาไม่ใช่แค่นั้นนะไปคบหาบุคคลที่เป็นนิชาทิฐิอันนี้ไปใหญ่เลยทีเดีย อย่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยขงพูธ ก, การเนี่ยอย่างพระที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเวลามีมิจฉาทิฏฐิเป็นอัจฉริยะใสเวลามาฟังธรรมหลวพ่ทีเจ้ า, งารงศ์ใสทั้งแต่ต้ น, น เ, นเยนจบใช่ไหมแต่เวลาไปฟังของพวกเดรัีฉพวกนิคคนของพวกอจุรกาก่าเนี่ยฟังแล้วเขาเชื่นใจอย่างนี้ยอย่าแปลกอย่าแปลกใจว่าเออทาไมเป็นอย่างนี้แลยวในปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยเออเขาเวลาเขาบอกว่าเนี่ย แต่ก่อนเขาเ็นักถือพุทธศาสนาเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ได้ดีได้ดีอะไรเลยประมานั้นแต่ต่อมาเขาไป น, นับถือพระเจ้า <c oughs> เขาโอ้โยทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือเลยแล้วแล้ ว, ลวยังออกโฆษณาด้วยนะออกโฆษณาตามสื่อต่างๆเลยนะว่าชีวิตของเขาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่าพระเจ้ชาช่วยเขาเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาเดินไม่ได้เลยประมาณนั้นเออ พอเขาหันมาถือมาถือพระเจ้าเขาก็เข้ามาที่ฐานใหพระเจ้าช่วยตั้งแต่นั้นมาเขาก็ลุกขึ้นเดินได้แล้วครอบครัวเขก็มีความสุขเขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้ามากลักษณะนี้อัจฉริยะสายเขามันมันเคยสั่งสมอย่บางทีเราใหม่ๆไม่ได้ศึกษาตรงนี้แล้วว่น้อยใจยังไงบวกรูปโคตรขัดเจ้าหนาที่ไม่รู้จะดียังไงจะเขาทำไมถึงหันหลังให้กับพระพุทธศาสนา แต่วพอมาศึกษาคําสอนเรื่องในสัางจัรหวัดก็เลยแตกว่ามีคนหนึ่งก็ว่มีคนเขาเล่า็มาจะจะเป็นพระที่มาจากต่างประเทศเขมาเล่าให้ฟังกมีอยู่คนหนึ่งนะเขาไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเลยแต่เด็กคนนี้เวลาเกิดมาเนี่ยนะก็มาเรียนแต่ในใจเขาเนี่ยเขา ไม่รู้เป็นไงเขามีความรู้สึกคำว่าพูดโทนเขาจเขาาชื่นใจอยู่มี่พอมาศึกษาศาสนาต่างๆก็มาเห็นคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกโอ้ทั้งตี4ีทั้งน้ำตาไหลทั้งร้องไห้ต่อมาเขาไม่ไม่ทิ้งอย่างอื่นทงอย่างอื่นแล้วก็คลนความศึกษาลงทุนหนีเยาวันแล้วก็มาอยู่ที่อเมริกา แล้ามาคนคว้าว่าประเทศเขาเนี่ยมันไม่มีคาสอนพวกนี้เลยเขาก็ไปอยู <kilo> ่ท<ๆ>ี่อเมริกาแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเป็นการเ อ, อย่างนี้ถามว่าน้ำจะเกิดตะกอนอย่นี้อัจฉรยะใสเลเนี่ยถ้าพวกเราตั้งอัจฉรายใวามันมันไป เ, เกิดที่ไหน ว, า ย, หวายยุคนไหวนีางคน้าน่าชใจอย่างนี้คือกลุ่มอัจะขันที่สามจัดทมาวิมุตตะขาตาเราคันหลังให้เป็นสัต คนที่หันหลังให้พระตัดธรรมเนี่ยนะก็หมายความว่าไม่มีความสนใจในการฟังการนั่งการศึกษ า, า, ก, า, าการเรียนเนี่ยทำที่เกี่ยวกับทุกสมุ ท, ทัยดรื่อยมากหนึ่งขาดปัญญาคนบุคคลประเภทนี้มีความเห็นผิดเก่งนิยากแต่ประการที่สีก็คือเป็นผู้มากไปด้วยความเห็นผิดและประการสุดท้ายจริงๆก็คือว่าเป็นผูดจมอยู่ในความตั้งจิตผิดอายนอุนที่ฆ์นักสิการเนี่ย เวลาใครจะอธิบายถึ่งต่างๆออกมาเขาก็เขาก็มีความคิดของเขาแปลกๆไปเสียทีเช่นเราจะอธิบายเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหลายต่างเขาก็คิดเกิดมุมเขาก็คิดถักมุมนั่งนั้นแหละเหนื่อยหน่ายเลยวัตเรื่องนี้แล้วขนาดแบบนี้ก็เรียกว่ามีอายุนิสสมและจิตใจไม่มจินจินนี้ฉะนั้นก็ตรงนี้ก็คือว่าอาการเป็นไปของโลภะมูลิติดวงได้มี ไม่ใช่แค่จิตมีราคาก็ก็รู้ว่าจิตมีราคาเท่านั้นพราะเามีพวกทิศถี่เนี่ยนะเข้าไปประกอบนี่นี่ก็เป็นไปอย่างนั้นอันประการต่อมาก็คือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของดว ง, ง, งที่สองในดวงที่สองนี่เป็นจากสังขาริกเนี่ยคือจิตที่เกิดด้วยปัจจัยมีการกระตุ้นหรือจิตที่มีการกระตุ้นคอยตกแต่งจิต ก็คือว่าสภาพที่ปุงแต่งจูงใจและตุ้นเตือนตา่างๆเขาเรียกว่าโลภสะแต่สังขารอีกหนึ่งโลภะบุรกิจที่เกิดด้วยหมู่ปัจจัยหรือแตสังขารเพว่ามีการกระตุ้นมีการจูงใจไอ้สังขารระดับหนึ่งแล้วก็เครื่องปรุงแต่งอะไรสิ่งที่จูงใจเนี่ยสิ่งที่จูงใจอาจจะเป็นทางด้านว่ากายประโยควจีประโยค่ะเนึ่ง าาการไการจุ่มมือการชิดมือการกวาดมือเป็นตัวเหล่านี้ก็เป็นปจัจจัยแห่งโลภะสะสมขาเรื่เกิดขึ้นแต่ต้างรวมที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องอะไปัจจัยเหล่านี้ส่วนวัตถีประโยค้าก็คือการพูดนัดแบบชวนเป็นชนอันนั้นหมายถึงปัจจัยภายนอกส่วนปัจจัยภายในายสามประการนะการประโยคา้าวัตถีประโยค้แล้วก็มนโนประโยชคะอันนั้นก็เป็นสะสมขาเรื่ง คือชักชวนประเด็นได้อันนี้ความเป็นใจของจิตตรงที่สองเนี่ยถ้าบอกว่าบุคคลผู้มีความร่าเริง ม, มันเทิงใจเนี่ยาำพิชฉาที่ถี อ, อกหน้ามีความเห็นผิดเกิดขึ้นถ้าประสบอารมณ์เนี่ยเช่นประสบรูปารมณ์ที่มาปรากฏทางทวารตาเป็นต้นเนี่ยก็ไปคิดในใจว่าเออกรรมคุณเนี่ยไม่มีโทษแค่คนที่มีโลภะในแบบนี้นะ ก็จะมีความรู้สึกว่าการมาคุณยังไม่มีโอดมีแต่คุณอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างนี้เราก็ดื่มด่ำกับมาคุณล้วรินดีพอใจเช่นว่าครับอาจารยง mm hmm. กว่าเราเ้าเออการฟังเพลงไม่มีโทษเนี่ย mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เช่นที่คนทั่วไปเขาปิดกันแบบนี้นะเช่นการดูหนังฟังเพลงเนีัยไม่มีโทษ เมื่อเขาเห็นว่ามันไม่มีโทษเมื่อมันมีแต่คุณตายเดียวมีคติมีข้อคิดด้วยก็งั้นแล้วเขาก็ดูแล้วก็ปล่อยใจเพื่อเกินไปลักษณะอย่างเนียเ้ย อ, อันนี้เขาเรียกว่ามีทิฐิมีทิฐิออกหน้าก็แปลความเห็นผิดหรื อ, อเป็นตัวนํำออกหน้าไปเพราะเขามีความเห็นว่าเออดูไปเออแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าเลือกไหนที่เขาเห็นว่าเอออันนี้มันดีอะไรอย่างนี้เขาก็ไปซื้อมา แล้วก็เอาไปให้ลูกหลานนีที่สุเพราะเขาเห็นว่ามันไม่มีโทษไงมันไม่มีโทษเราจะทนยงไงถ้าอย่างสมมติเราอยู่ในครอบครัวใช่ไหมถ้าพี่เอาคนเดียวเนี้พี่เราเห็นต้องมีโทษแล้วสมมติถ้าห้กคนเขาเห็นว่าไม่มีโทษเลยทำยังงเลยทำยังไ การมาคุณมีโทษหรือไม่มีโทษการมาคุณมีโทษเนียมีโทษแต่ถ้าไปเห็นว่าไม่มีโทษอันนี้เป็นเป็นทิฏฐิเป็นทิฏฐิเจตสิกนะไม่ใช่แต่เป็นอะไรความเหียนนะแต่เป็นทิฏฐิเจตสิกที่สมองเราก็จะโลภเพราะเห็นว่าการมาคุณไม่มีโทษหรือบางทีไม่ใช่เป็นทิฏฐิจะจะเป็นมานะหริ่งดูมาตั้งนานแล้ว ใช่าะดูมาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเขาดูมาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นเลยอาแต่บางคนก็เป็นอย่างนั้นนะก็ไม่เดี่ยวว่าแต่เดี๋ยวว่าแต่คารวะเลยพ้ะยังดูอยู่มีเลยใช่ไหมพระดูยังมีมีอยู่เป็นภาพมาแล้วนะภาเขาเอาข่าวเป็นภาพมาแล้วนะปะ ในดเง่านิไหนล้ น, ลนมรณภาคไปเลยลักษณะอย่างนี้ก็เห็นว่าเป็นไอตการก็เาเห็นว่าการมาคุณนั้นไม่มีโทษที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่เมื่อใเดเนี่ยเราได้รับอารมณ์นะเช่น <c oughs> ได้รับรู้เสียง <c oughs> กินลดสัมผัสหรือการคิดกภาพพราำต่างๆ มีกุศลนะกุศลต่างๆเป็นต้นเหล่านี้ครับตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆนะหรือว่ายังไม่มีความพอใจเนี่ยแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยพอมีความต้องการอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ในทันทีต่อมาเนี่ยถ้ามีคนอื่นเนี่ยนะคือใหม่ๆแล้วก็วดูธรรมดานี่ยไม่ไม่ได้จะตืน่นร้อนต่อมาพอมีคนมาบรรยายอธิบายอะก็รือเนี่ยดีมากเรื่องนี้ พอพูดอย่างนี้เนี่ยนะไอที่ไม่สมมา น, นะจะเริ่มสมมา น, นะคืนไอที่ไม่ค่อยอยากดูเท่าไรก็ความอยากดูก็เพิ่มขึ้นไอลักษณะอย่างเนี้ยเป็นกลุ่มตาสังขาริกลุ่มตาสังขาริด ค, ความร่าเริงดีใจแล้วก็เห็นว่าออไม่มีโทษใช่ไหมเป็นประโยชน์ด้วย ลักษณะอย่างเนี้ยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าโลภะโสมนัสจากสารคาที่เกิดขึ้นโดยมีการเรียกชวนแล้วก็ดีใจเกิดฟ้องดีกว่าหรือผิดเลยนี่ชัดเจนอย่างเนะงี้ยนะซึ่งซึ่งในชีวิตประจำวันของเราก็าจะเกิดขึ้นบ่อยก็ถือว่าบางทีว่าภาคีคิดเองทําเองแล้วเข้าใจเองว่ามันไม่มีโทษอย่างนั้นเลยแต่บางทีก็ต้องอาศัยคนอื่นมาชี้ประโยชน์ให้เห็น ว่าพอเก็มาชักจูงมาอธิบายที่นี่หน่อยหน่อยขึ้นมาเนี่ยไอความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นมามี่จเห็นใสตามเขากันหิอันนี้คือโลตัวพระดวงที่สองทีนี้จิตดวงเนี่ยนะจะเกิดขึ้นโดยมีการชักชวนในรัติมาที่เก่าเนี่ยสำหรับจิตดวงต่อไปก็จะเกิดเป็นโลพะอาสารย์าลิกคือบางทีเนี่ยนะเช่น ในเรื่องเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นอาสังคาริแล้วก็มาเป็นอาสังคาริแล้วก็สัมมาเป็นอาสังคาริสอีกก็ได้มันอยู่ตรงที่ว่าสถานการณ์เรื่องราวเหตุการณ์อะไรต่างๆวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ตายตัวนะว่าอเออถ้าอย่างเนี้ยมันเป็นอาสังคาริก็จะต้องเป็นอาสังคาริสเป็นอาสังคาริก็จะต้องเป็นอาสังคาริบางทีอาจเป็นอาสังคาริสก็ได้เช่นว่าเดินผ่านารถเมล์ไปยนรวมมุดเนี่ย พอเราแล้วเห็นตายจริเขาประกาศไว้เนี่ยว่าวันนี้จะฉายเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ไม่คิดจะอยากดูใช่ไหมทีนี้พอไปพบเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาตั้งใจว่าอยากจะดูพอพบกันแล้วก็ก็เริ่มชวนพอเขาบอกว่าเรื่องนี้ดีมากสนุกขึ้นมาอะไรนี่กว่าค <ś c oughs> วามรู้สึกมนเตีย่ยนละตั้งใจอย่างเงี้ยนะทั้งทั้งที่บางทีเนี่เราเห็นทางตวาดานี่นะเออไม่ไม่ชัด แต่ก็ไเจอเพื่อนเพื่อนมาชวนีกที่หล้โหจะดีชันเลยแต่ถ้าพอนานขนาดที่นั่งดูนี่เนี่ยเมื่อเราเกิดความสนุกสนานชอบใจขึ้นมาโลภะอาสังขาริกเกิดขึ้นโดยมาอันนี้ไม่ใช่นต่ห ล, ลัหัง ถ้าเกิดขึ้นไม่ต้องอาศัยคน อ, อื่นมาชักชวนอะไรแบบนี้อาศัยที่เราเราเกิดขึ้นเองแล้วก็เดาเหตุการณ์เดาเรื่องราวอะไรต่างๆสรุปแล้วก็คือว่าถ้าเราไปดูสักเรื่องนึงโดยเฉพาะเรื่องนี้น ม, มันเกิดความสนุกสนานนี่นะเราจะไปทํากรรมที่เกี่ยวกับโลภะตลอดทั้งเรื่องเลยออกมาก็นหน้าดําดําเพี้ยนเลยวันนี้นี่เป็นนี่นนน แต่ว่าศาตร์โลกทั้งหลายก็ไม่เห็นว่ามันเป็นโลกใช่ไหมเดลมาไปเห็นว่าเป็นคุณนเอดลมาก้าถามว่าจะดูแบบโลภะกับจะดูแบบมหากรุศเนี่ยถ้าเรารู้ไปแล้วอ้าวดูได้ดูโทรทัศน์เนี่ยจะให้ตั้งใจก็ไว้นะว่าจะดูแบบมหากรุศจะดูแบบโลภะในเรื่องเรา ดูแบบมอกเก่มันจะทาได้หมเอทได้ไหมท้มากลได้มากเลยคือ่เ่ือผ้าหตัององออกรอพออายุนะจีบเ่องสังงานคนตายช่วยให้เด็กคนดีเ ก็ก่อนเป็นอย่างนี้เนียมันเกี่ยวอรกที่จริงก็คือมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรทอนเข้าไปในสังคมในปัจจุบันนี้อยู่ที่ว่าเราจะจะสืใออะไรส่อข้อเท็จเลยส่งผลไปเลยก็ทไงได้เราให้วิจาริตีดีมเราให้พิรมวิจารณิตีเป็นใหญ่และลำบากใช่ไหม ก็ก็ในสมัยเถ้าในกลุ่มที่มีสมาชิกที่ไม่เงีย่ยงนาดในวงการสือ่อในวงการอะไรต่างๆก็เป็นอย่างนั้ถ้าเลยแต่ลองมีกลุ่มสมาชิกที่เข้าไปควบคุมกลุ่มนี้เลยดีไหมออกมาไม่มีอะไรจะดูไม่ต้องดูแลก็แล้วก็ก็ติดแค่ <c oughs> ป, ประการต่อไปก็คือตัวงที่สาม เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไายตามลรายละเอยียดของขอ ง, งโลภาที่เอายอยอ่ือเอายอาอด ดวงที่สามเนี่ยนะคล้ายกันกับดวงที่หนึ่งต่างว่าไม่ประกอบด้วยความมิจฉผิดแค่นี้เป็นจิตที่มีโลภะเจตสิกเป็นมูลประกอบด้วยเจตสิกเหล่าอื่นมนีอุปสนเจตสิกแล้วก็เป็นสมมานัเกิดพร้อมด้วยสมมานัสเวรนาแต่ดวงนี้เป็นพิธีข่าววิปยุทธ์คือไม่เกิดร่วมกับพิธีเป็นอาสังขาริสเป็นอสังขาริสไงทีนี้ในในดวงที่สามเนี่ย อาการเป็นไปต้องโลภะดวงที่สามขาบอกว่าในเวลาที่เกิดความบันเทิงเกิดความล่าเลยเนี่ยแต่ในขณะนั้นไม่มีมิจฉาทิฏฐิออกนะแต่จะมีความรู้สึกเสวยสุขในรสของอารมณ์อย่างเดียวแล้วก็ประพฤติจิดต่างต่าเหล่านี้เนี่ยนะเข่งเลงซัดของผู้อื่นรักของผู้อื่นเป็นต้นเรื่องิดทีดดทดดท่ก้าแข่งเป็นปกติ ปราชญาภูษาหะอันนี้เป็นเป็นอกุศลดวงที่สามทีนี้เพ่งเล็งรักของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้การก้าวล่วงอกุศลกรรมบทที่เป็นไปในโลภะดวงที่สามนี่ย น, นะอันนี้เป็นถ้าถามบอกว่าจะทําให้เกิดโทษให้ตกไปสู่ใบภูมิไม่ได้ด้วยการก้าวล่วงอกุศลกรรมบทตถ้าถามบอกว่า ถ้าหากว่าเป็นโลภะเกิดขึ้นแต่ยังไม่ก้าร่วมกรรมบทอันนั้นก็ไม่เป็นปัจจยัยแห่งการโลภายภูมิใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเก้าร่วมกรรมบทก็สามารถเป็นเหตุเป็นปัจจยัยแห่งการโลภตัวายาภูมิไนดะ้ฉะนั้นในขณะที่บอกว่าโลภะตรงนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเขารับอารมณ์ได้ไหาลายประรับรูภารมได้สัทธารมัญด า, ารมรักษารมปวดตะารมหรือธรรมารมณ์ทั้งที่เป็นกุศลอกุศล ก็มีความพอใจอย่าลืมนะว่าโลภะเนี่ยเวลาเขาไปรับเอาขัขวกุศลมาเป็นอารมณ์เขาก็ไม่พอใจแต่เวลาเขาก็พอใจแต่ในขณะที่เขาเป็นรับเอากุศลมาเป็นอารมณ์เขาก็พอใจเรบอเอากุศลใช่ไหมโดยทั้งที่บอกว่าถ้าโลภะเกิดขึ้นนี่นะแต่มีทานมะกุศลสีกุศลมาเป็นอารมณ์ได้ไม่ได้แต่เขามาเกิดโลภะอยู่ไนดะ้จะดูเหมือนดีใช่ไหม ยกตัวอย่างเช่นเอเราไปทําบุญเนี่ยแต่คนอื่นก็ทําบุญด้วยจิตที่เป็นกุศลแต่เราทําบุญด้วยจิตที่เปยนโลภเราก็กลับมาบ้านเหมือนกันแต่เขาเนี่ยเนียก็เหมือนจะได้บุญแต่มันได้โลภเพราะมันไอ้ตัวโลภเนี่ยมันมีบาปเป็นอารมณ์ก็ได้มีบุญเป็นอารมณ์ก็ได้เข้าใจปะมีบาปเป็นอารมณ์ก็ได้มีบุญเป็นอารมณ์ก็ได้ ทีนี้ถ้าอยากลุ่มศึกษาพระธรรมกลุ่มศึกษาพระธรรมแล้วก็เชื่อมั่นในคุณของพระราชาใจโลกนี้โลกนั้นจึงไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดอันนี้ก็ก็ไม่ไม่น่าเป็นมืแต่ถ้าอาจเป็นประเทศแ่อยา่างเช่นไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดในทีนี้ก็ในในกลุ่มในในที่นี้เกี่ยวกันในเรื่องของมีมานะเข้าประอกอบนะี้ยเาพลาตรงที่สามเนี้ย คือหราสาวกว่าโลพาทิถีข้าตาวิทยุศเนี่ยเป็นปัจจัยลงอาบายภูมไดไหได้ไหมล่ะเอาไม่มีทิถีแล้วยังลงอาบายาพูมไดอยมีมานะนั่นเองนะฉะนะจึงสา ม, มารถเป็นปัจจัยแก่การลงอาบายภพูมนะเออเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้โดยเหตุเหตุเกิด อย่างลักษณะของโสมมานัที่บอกว่ า, าลักษณะเกตุเกิดของโสมมานเนี่ยบอกว่ามีความมีการตามสะวอยอารมณ์เป็นลักษณะมีตามเสวยอารมณ์เป็นลักษณะแล้วก็แต่ต้องเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจเนี่ยนะส่วนเกี่ยวกับในเรื่องของที่บอกว่า ดวงที่สี่ดวงที่สี่นี่เป็นตาสังขาริกนะเกิดขึ้นโดยโดยไม่มีการดัชวนเนี่ยเพศเกิดของต ส, สังขาริกมีอยู่หกหนึ่งปฏิสนธิจิตที่เกิดมาด้วยกรรมที่เป็นต ส, สังขาริกจิตที่เป็นตาสังขาริกเนี่ยนะระกา ร, รที่สองก็คือว่ามีกายและจิตไม่เข้มแข็น เจริกลุ่มจะสังคาริค่าสังคาริคมีต่างกันถ้าหากอาสังคาริกเนี่ยกายและจิตนันเข้มแข็งถ้าสังคาริกไม่เข้มแข็าางระการที่สามก็คือมีความอดทนน้อยอาการคาริกนี่นะส่วนอาสังคาริคอะมากไปได้วยความอดทนเออโลค้าเหมือนกันเนี่ยถ้ากลุ่มอาสังคาริกเนี่ยความอดทนในการอยากจะดูเป็นต้นเนี่ยของเขาแรงแล้วของเขามาก แต่ถ้าตสังขารนอันนี้น้อยโดยที่จุดต่างกันนะแล้วก็ไม่เห็นอ น, นิสงในการให้คือในในการในการไม่เห็นอ น, นิสงในการงานของของบุรุษไม่เห็นอ น, นิสง์แล้วก็ไม่ชำนาญในการงานแล้วก็ไม่ได้รับสับายามีอุตุและปูช น, นีนะต้นต้นอันนั้นเขาเรียกเขตุของจากสังขาร น, น, นส่วนสังขารนี้ก็ก็รตรงกันครับ ก็คือว่าถ้าดวงที่สี่ก็คือว่าเปจิตที่มี โ, โลภะประกอบด้วยโลภะเจรสิทธิแต่สองแล้วก็เป็นสมณะเป็นวิปปยุทธ์ก็จะประกอบกับไม่มีที่สี่จะมีมานะและก็เป็นสัมหาตัณหาที่เกิดขึ้นโดยที่มีการจิญสิทธประการต่อไปก็คือเกี่ยวในเรื่องของอุเบกขาอุเบกขาเหตเกิดของอุเบกขาเนี่ย ลักษณะของอุเบกขาเนี่ยมีส่ อ, อย่างหนึ่งปฏิสตินที่มาด้วยกรรมที่เกี่ยวกันในเรื่องของอุเบกขาแล้วก็ประการที่สองก็คือมีความคิดลึกซึ้งเป็นปกปติคนที่เป็นคนเฉยเฉยเนี่ยคิดอะไรละเอียดมากกว่าคนที่ตัวเทศสม น, นะในตามคำสอนเนี่ยนะ แล้วก็คนที่จะเป็นประเภทอุเบกขาก็คือประเภทผสมแต่ ม, มัชา ต, ตาตอารมก็แปลว่าอารมณ์ที่อยู่ประเภทที่กางกาล้วก็ค้นจากความเสื่อมทั้งห้าประการนั่นที่ได้กล่าฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของเวนนะจริงๆอุเบกขาเนี่ยเป็นชื่อของเวนนะเ้าเรียกว่าตัวอารมณ์อย่างเหมาะสม คือไม่ตกไปทางอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์และอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอานิธารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่อยู่โอเคเป็นมัชชะตาอารมณ์เนี่ยนะแล้วก็เห็นสภาวะอารมณ์อย่างเหมาะสมพวกเบขาเวทนาเนี่ยคือเวลาอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่เห็นอารมณ์เหมือนโสมนัสเวทนาเห็นหรือว่าโทมัสเวทนาอยู่มันจะมันไม่ไม่เป็นไปลักษณะดไหนอย่างงี้ ถ้าไปพูดถึงในเรื่องของอุเบกขาบารมีตัวอุเบกขาเวทนาจะมีจุดต่างกนีหถ้าอุเบกาาเขาบารมีเนี่ยถ้าถามว่าท่านจะสร้างอุเบกขาบารมีมีสร้างยังไงอุเบกขาบารมีมีอะไรเป็นอารมมีสัตว์และสังขา ร, ารมีเป็นอรมณีสัตว์และสังขารเป็นแล้วก็มีความวางเฉยในสัตว์และสังขารอายุเขายกย้ายยังไง ยกตัวอย่างเนี่ยเช่นธรรมาปาและอุมาเนี่ยที่บอกว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่เป็นพระโพธิสัตว์แม่พระรัชมารดาก็เกาอุ้มเล่นอยู่ต่อมาพระราชบิดาสเสด็จมาใช่ไหมทีนี้พระรัชมารดาก็ไม่เห็นก็วัวเล่นหยอกล้อลูกลูกน้อยอยู่พระราชบิดาก็โกรธใช่ไหมเพราะโกรธก็เลยสั่งให้เอามา บอกว่าให้ให้ทหารชีวิตเด็กตัวเนี้ก็ขออนาดมันเล็กๆน้อยๆยังทำให้แม่ไม่สนใจเราในตอเนี้นะถ้าโตขึ้นมาเนี่ยเราคงไม่อยู่ในใสายตาแม่เลยฉะนั้นตัดไปจะต้นลมจะรือฆ่าตายเลยตอนนั้ น, นพระราชมัรดากร้องให้อ ม, มัดก็จับไปทหารก็คือจะฆ่าด้วยการว่า โยนขึ้นไปแล้วเออด า, าบตั้งตอนนั้นน่ะราชบุรุษมาคิดยังไงรู้ไหมวางเฉยในพ่อที่กําลังกิ้วกาลังโกรธอยู่เนี่ยแล้วก็วางเฉยในแม่ที่กําลังร้องไห้หรือต่อที่จะคาดแล้วก็อำมานลักษณะอย่างนี้เป็นอเุเบกขาบาลมีไม่ใช่อเุเบกขาอุเบกนานอันนี้อ่านอ่า น, นยังไงก็ ยังเราใจไม่ถึงอย่างนี้นมันคิดยังไงก็คิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงแต่เออพออ่านไปแล้วเออโหทาขนาดนี้แต่ยังเราก็มองไม่ออกไม่ต้องอะไรก็เอาแค่ว่าตื่นขึ้นมามีคนตะโกนด่าหน้าบ้านด่าว่าเฉยได้ บอกไอ้มันเรื่องอะไรอย่างนี้มันต้องคุยก็ให้รู้เรื่อ ง, งเลยไอ้ตรงนี้เลยมีปัญหาอยู่ตามมาตรงนี้เพราะนั้นลักษณะของเวขาเนี่ยว่าเครดของอุเบขาเนี่ ย, ยนะมีอยู่สามอย่างหนึ่งอารมณ์ที่นะปรารถนาปนานกางสองเป็นผู้ปฏิสันเทียกิจต่อแล้วเพราะเจ้าอุเบขาจึงจะได้เกิดอุเบขาได้ แล้วก็เป็นผู้มีปกติเล็กซึ่งฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าต้องการอย่างเป็นกลางเนี่ยคือชนิดคือพอประมาณนะเช่นไม่สวยมีค่าน้อยหาได้ง่ายาปรากฏอยู่ดาดตื่นเปนถ้าเป็นอาหารเขไปที่ไหนก็เห็นเต็มไปหมดทัน ไ, ไหนของแบบนี้เ็าเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มเป็นอารมณ์ที่เปนกลาง เวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยนะเราก็วัน <Ừ. S 1> มันเป็นปกติเนี่ยใช่ไหมวั น, ว, นวันก็นำทิ้วันวันว น, น, นั้นทิ้งส ม, มุติจิตมาเข้าในข้อข อ, อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ปานกลาเล ย, เลยนะส่วนปฏิสทติจิตด้วยด้วยอุเบกขาก็คือคือการเกิดมาด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาเปันปฏิสติ ถ้าคิดแบบลึกซึ้งก็ตรงกันชา ee, mm ้า hmm. กับความคิดที่ในมิติไม่ลึกซนะึก็เวลามองอะไรคิดอะไรก็คิดในกลุ่มที่ที่ลึกึอันนี้ในลักษณะของผู้เบกขาแต่ดวงนี้เป็นอสังขารอีกนะเป็นอสังขาริกส่วนดวงที่หกก็เป็นอสังขาริกนะก็เป็นผู้ เ, เบิกขายเหมือนกันดวงที่เจ็ดก็เป็น ทิฏฐิขจาวิทยุดอันนี้เป็นอาสังขาริฏดวงที่แปดเป็นจัตสังขาริฏเป็นจสังขาริฏฐินี่ก็มาสรุปตรงนี้นะว่าในแปดดวงเนี่ยเราศึกษากันว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะแล้วโลภะมูลจิตเนี่ยถามว่ามีโลภะเจตสิทิ์เป็นมูล ก็จริงไงถามบอกว่ายังมีเจตสิกดวงอื่นอีกนะก็บอกว่ า, ต, ว า, วาต้องมีเจตสิกด ว, ดวงอื่นๆต้องเยอะแยะมีภัณฑ์มีเจตนามีวิสกมีวิาจารมาประกอบพาประชุมกันจ่มาเป็นจิตแปดดวอ่ะแต่โลภะเนี่ยแต่โลภะเจตสิกเนี่ยเกิดร่วม ก, กันกับโลภะพลังจิแตแปดทุกดวงนี้ฉะนั้นในแต่ละดวงเนี่ยที่บอกว่า กตัวอย่างเช่นดวงใจบกโสมะนัสานตาสะระตะังที่ถี่ตะต่างพมยุตจังหัดสงขาดิการกิจที่เกิดขึ้นโดยไม่มีาการชัญชวนพร้อมด้วยความมีใจประกอบด้วยความนี้กิงทีนี้ถ้าหากเราดูตรงนี้แล้วเนี่ยนะการประกอบพงเวทนาคือโสมนัสตเวทนาและทิฏฐิถ้าหากเราดูจากความหมายที่เราท่องนี่นะบกโสมะนัสตาสะระตะตัอันนี้เน้นถึงเวทนา พิธิพุธาสามัมยุธรรมยานี้พิธีโดยสรุปก็คือว่าในโลภะดวงแรกเนี่ยเน้นตัวเวทนาและเ น, า น, าน้พิธิเป็นกรณีพิเศษเขาเรียกว่าใช้ปัจจัยพิเศษทีนี้เราบอกว่าโลภะมูลจิจเ่แม้ประกอบด้วยโลภะเจตสิกถ้าตั้งชื่อว่า โลภะต่อประยศตังคือจิตที่อประยุยศด้วยโลภะเนี่ยมันเกเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ไม่ทราบความต่างกังนนะในอีกเจ็ดดวงน่ะฉะนั้นเห็นจุดตรงนี้ท่านเอาโลภเอาโศกมานันเอาเวท น, นามาเป็นหลักในการตั้งเอาทิพย์มาเป็นหลักในการตั้งเป็นต้นแต่ถ้าถามว่า โลภเจตสิกเนี่ยไม่แช่เน้นที่เวทนากับที่ถี่อย่างเดียวยังมีเจตสิกอื่นๆมาเกิดร่วมด้วยเพราะถ้าอย่า ง, งานั้นอย่ายกตัวอย่างเช่นเจตนาในโลภะเลยมันเป็นตรรมแล้วเป็นกรรมหนักก็ได้เื่อยยังไงซึ่งจะมีเยอะแยะการมที่ทําด้วยโลภะที่ถี่และตากำปังยุท์เนี่ยแต่ว่ากรณีที่ตั้งขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นไปตามที่ได้กล่าว ส่วนเจตสิที่ประกอบกับโลภามุนจิตนะ่ะเช่นภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นอะไรเนี้ยก็ถ้าจะมาตั้งชื่อโอ้โหเยอะหมดเลยเช่นภาษาสัมปยุตตังมุยช่ไหมเจต น, นาสัมปยุตตังใหญ่เลยเข้าใจใช่ไหมเนี้ยก็ฉะนั้นคือว่าจริงๆแล้วก็คือท่านเล้นว่า สมณาสัาาตว์ทั้งยี่สิบเจตสาวามปยุทธ์ต่างๆามอีการหนึ่งเกิดขึ้นโดยวิธีการช้เครืเป็นต้นหนึ่งเพียงว่าท่านใช้เจตสิกสองสองประการคือเวทนาเจตสิกคือสมณะกับที่สิบเจตสิกแล้วก็ใช้ปัจจัยพิเศษที่เรียกว่าสังขารเนั้นมาเป็นเครื่องจำแนกคือเป็นศาสตร์สังขารลิขสังขารลิขิคือเอาเอาตัวเวทนาเอาตัวที่สิเอาสังขารเท่นั้นมาเป็นตัวจำแนก เพราะว่าจริงๆเกี่ยวกเหล่าอื่นไม่ได้กล่าวเขาไว้จริงไม่ได้กล่าวเขาไว้ถ้าเป็นการกล่าวเขาไว้ก็ดำที่ได้กล่าวไว้ว่ามันไม่ใช่แปลกแล้วมันจะเจ็บมากแล้วก็วจะเป็นการเพราะใน ข, ขนาดที่พวกเราศึากษากันเนี่ยเพราะในนั้นมันมีเยอะในในโลภะยังมีมากก็ก็เป็นไปลักษาอยูน่นะทีนี้เกี่ยวกับในเรื่องของสัมผัสคือในบรรดา แต่ถ้าในด้านของอหมบกัาวเวทนาก็เป็นกลุ่มที่สมนัตเวทนาและก็อุเบกขาเวทนาเอาเป็นอาแบบเป็นเครื่องจำแนกคือเวทนาสมนัสี่อุเบกขาเวทนาสี่ส่วนสังขารเนี่ยก็เช่นกันนะโลภะแปดดวงนั่นนะสมณัเวทนาเกิดประกอบด้วยความมิจนผิดแต่ก็ยังแตกต่างกันกับด้วยสังขารก็คือ เป็นอาสังคาริสอย่างหนึ่งเจนสังคาริสอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นเครื่องจำแนกเพราะเหตุนั้นเพราะทำเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องจำแนกอันนี้ก็ไม่เป็นสาเ า, าตุนอาศัยเป็นเครื่องจำแนกฉะนั้นโลภะมูลจิตแปดเนี่ยจำแนกท่านบอกว่าไม่ไม่มากไปสุรนี้แล้วก็ไม่น้อยเลยตรนะี้โดยอาศัยปัจจัยเครื่องจำแนกเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยในโลภะแปดดวงเนี่ย โดยอาใัยปัจจัยเครื่องจำแนกอื่นๆก็ได้เช่นเอาอดีตการปัจจุบันนาธานานาโนโคตการเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องจำแนกด้วยนะอย่างยกตัวอย่างที่เอามาคิดโดยพิสดารอย่างในดีการที่ท่านนามาคิดเนี่ยยกต็วอย่างมหาอาุปสนใช่ไหมคิดไป ค, ดคิดมาก็ได้เป็นหมื่นๆดวงเนี่ยในด้านของอหาอุปสนนี่ก็เหมือนกันในโลภะนี่ก็เหมือนกันอยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาอดีตการนาโนโคตการปัิจุบานาันการมาคิด เอารูปารมสตธารมณ์คันธารมณและธารมณปวดภารมณ์และธามารมมาคิดมันจะเียกไปเป็นอารมณ์ผมหรือเอาอกุศลเขามาวดจิตมีปาณาดีบาตัตินนาทานกามเมรุมิสาการเป็นพวกเหลานีม้มาจำแนกเนี่ยมันก็ไม่ใช่แปดตัวมันก็เป็นหลายร้อยหลายพันชวงอันนี้เขาก็จําแนกได้ถามว่าที่จําแนกไปอย่างนี้ยไม่ใช่เกิดตัวเองแต่เป็นการจําแนกไปตาม ไปตามการเกิดขึ้นของของของจิตเหลานี้ทีนี้มามาเข้าหลักที่บอกว่าจิตมีราคาเนี่ยจิตมีราค า, า, าก็คือจิตที่สะหรอโคตรด้วยโลภะโลภะจิตทั้งแปดดวงเนี่ยนะแล้วก็จิตที่เป็นจิตที่ ป, าปราศจากราคาก็าได้แก่ที่จิตที่เหลือถูกไหมในในทางปฏิบัติเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าโลภะหรือจิตที่มีราคะจิตเกิดขึ้นเนี่ยตั้งสอนสอนว่าจิตที่มีราคะต้องรู้ชัดว่าจิตมีราคะเราจะกำหนดอย่างไงทำใหารู้ชัดว่าจิตมีราคะเนี่ยถ้าบอกจิตมีราคะก็ให้รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะตรงนี้ก็คือว่าจิตเนี่ย รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมโดยผ่านทางทางวาโท์กเนี่ยเมื่อจิตเนี่ยในขณะที่เห็นเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยทวารว่าพระพุทธเจ้าตารัสว่าดูก่อนพิสูุนทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นเนี้ยสักอย่างหนึ่งที่บุคคลอบรมแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงเหมือนกันกับจิตใช่ ดูกวามพิสษุทั้งหลายจิตที่บุคคลอบรมแล้วย่ยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการเจริญจิตตางนุปัสสนาเนี่ยโลภจิตมีราคะสรุชดโลภจิตมีราคะเป็นต้นอันนี้เป็นวิธีการอบรมจิตใช่ไหม <ừ> เพราะว่าถ้าหากไม่แยกแยะดังที่ได้กล่าวมาว่าราคะารือโลภะจิตโลภะบริจิตแตกเนี่ย ทั้งที่เป็นสงมานะ้ทั้งที่เป็นอุเบกขาทั้งที่เป็นขาสังขารวิปสังขารททั้งที่เป็นพิธีข้าตาสัมยุญแล้วก็พิธีข้าตาวิปิณุเป็นต้นถ้าไม่มาแยกแยะให้ดีเนี่ยก็จะไม่รู้จักว่าเออตอนเนี้ยในโลภะแปดดวงเนี่ยก็จิตมีราคานะนั้นคือราคะโลกะเภกิดขึ้นจะเราดีมั้ยนั้นทำใหารู้ชัดในที่นี้ว่าสุบสมก็คือต้องการที่จะอบรงตามคำพิในเอกนณีแบบ ที่ พ, พะออะระพุทธเจ้านรัสราคะหมายถึงความกํำลัดความยินดีที่เกี่ยวกับอารมณ์ที่มาปรากฏรทางตาหูจมูกเป้นใจใช่หรือรกี่มาตาโปรทางตะวันทา้งหมดฉะนั้นในขณะที่เกิดราคะขึ้นมาเนี่ยท่านให้กำหนกที่จริงนะนะถ้าราคะเกิดขึ้นไม่ใช่เอาราคะไปกําหนดราคะใช่หรือเปล่า เช่นเราเวลาโลภะเกิดขึ้นมาเนี่ยโลภะดับไปแล้วต่อมาถ้าเอาโลภะไปกําหนดโลภะแล้วก็บอกจิตที่มีโลภะว่รู้ามันชิเยอะเพราะโลภะจะไม่จะไปรู้ชัดจิตที่มีโลภะไม่ได้ใช่ไหมหรือเอาโมหะไปรู้โลภะก็ไม่ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้นะเขารู้เขาได้แต่นั่นไม่เรียกว่าเป็นการเจริญจิตารุปตะนา ถ้าเป็นการเจริญจิตตารู้ปรัชนาแล้วจะต้องใช้ปัญญาใช้สติใช้ความเพียรเนี่ยใช่ไหมโดยเฉพาะท่นเน้นการรู้ชัดเนี่ยต้องรู้รู้ชื่อของปัญญาเพราะว่าทีนี้ก็ไปตรงกับความหมายเขาคำว่าวิตกใช่ไหมแล้วเขาไปไปตรงหมายคําว่าคิดเขาจากินใจติจิตตาเนี่ยแปลว่าคิด ในการคิดมีอยู่สามอย่างใช่ไหมทีนี้เวลาเราจะเอาไปคิดในจิตที่มีราคาเนี่ยเราก็ต้องใช้เราใช้จิตไปคิดหรือใช้ี่ตอกไปคิดหรือใช้ปัญญาก็ไปคิดใช่ไหในที่นี้คำว่ารู้ชัดเนี่ยต้องเน้นใช้ปัญญาปัญญาเข้าไปคิดทีนี้เมื่อเข้าไปคิดจิตที่มีราคาเนี่ยลําดับแรกก็คิด อะไรคิดปัจจัตต์ปัจจัตตาลักษณะหรือสภาวะลักษณะคือลักษณะของโลภะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นอย่างท่านคุณนะที่เราไปคิดเนี่ยนะเอาปัญญาเนี่ยเข้าไปคิดไม่ใช่ว่าจเจริญวิจเจริญจิตตาต้ปัสรนาเนี่ยบอกไปห้ามคิดห้ามคิดไม่ได้แต่ว่าห้ามคิดแบบตามมวิตกตยาบาทวิตกแล้ววิถีสาวิตกถ้าคิดแบบวิตกเนะี่ห้ามคิด แต่ว่าจิตเนี่ยนะเขาเป็นธรรมชาติติดคิดอยู่แล้วในขณะที่ปัญญาหรือมหากูุนเข้าไปคิดเนี่ยก็ต้องใช้จิตคิดอยู่แล้วตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมแต่ในที่นี้หมายความว่ารู้ชัดเนี่ยต้องใช้ปัญญาที่ในมหาภูสุนั่นแหละเข้าไปรู้ชัดในจิตที่มีราคะแปลว่าจิตนั้นที่ดับไปแล้วเป็นต้ น, นใช่ไหมที่ดับไปแล้วเนี่ย จิตที่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตที่มีโลภะราคะเนี่ยว่าเป็นโลภะเป็นราคะประเภทไหนเป็นประเภทอาสังคาเรื่งือสังคาเรื่อสมมานักเื้อยอุเบกขาที่ถี่ตับไปยศหรือที่ถี่เวียนไปยศใช่ั้ยก็ก็ไปคิดในลักษณะอย่างนี้ เมื่อเมื่อไปคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเออขอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการอบรมจิตที่บอกว่าดูก่อนทิศตุวทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทำอย่างอางื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่บุคคลอบรมแล้วจ้องเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงเหมือนจิตฉะนั้นการการไปดูจิตเนี่ยคือการอบรมเนีหรือเอาเอาปัญญาไปคิดในเรื่องจิตเนี่ยนั้นนี้เป็นการอบรมจิตนั่นเอง แล้วเป็นการอบรมจิตแบบใหญ่หลวงด้วยนะไม่ใช่เป็นอบรมจิตแบบธรรมดาด้วยนะเพราะเมื่อไปรู้ชัดอย่างนี้ เ, เสร็จแล้วเนี่ย ต, ต่อไปเนี่ยเวลาคนบ า, างคนเนี่ยมีโลภดวงที่หนึ่งเป็นอัธยาศัยอยเางนะ บางคนก็ดวงที่สองสามสีห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็ เ, เน้นโลปอารมณ์เน้นสัทธารมณ์เน้นขันตาร ม, ารมไปก็แล้วแต่บางคือว่าเกิดโลภะประเภทนี้ได้เห็นอารมณ์ประเภทนี้ได้เห็นสีประเภทนี้แล้วมันเกิดง่ายเพราะอัตยาสายเคยสั่งสมมาถ้าเราไม่กําหนดหรือไม่ใช้ปัญญาเข้าไปคิดเนี่ยนะในสุดจริงๆมันก็จะเป็นการ พ, อพ่อคูณจิตที่ได้โลภะเรนะื่อยเ พอไอ้พวกไอ้โรภ้นียมันได้กำลังมันได้เหตุได้ปจัจจัยมันก็ทำกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วที่ได้กล่าวบอกว่าเออกรรมาคุณนี่ไม่มีโทษ พอมีความรู้สึกว่าการมาคุณนี้ไม่มีโทษเลยมันก็มันก็ทําทุกอย่างทิฏฐิที่แรกมันเป็นแค่สักกายทิฏฐิลนะเข้ามันก็เป็นทิฏฐิที้ที่เศษขึ้นมาเป็นศาสนาทิฏฐิบ้างเป็นกุเชตทิฏฐิบ้างบางทีหนักไปกว่านั้นก็เป็นนักอิกฉาทิฏฐิอตรยตุกาาทิฏฐิแล้วก็เป็นอัศรียาทิฏฐิเนี่ยนะมันก็ยิ่งรุนแรงไปแล้วก็เกิดความเสียหายดังนั้นโทษของการไม่อบรมเข้าษของการไม่ได้พิจารณาหรือไม่ไม่ไม่ไม่ข้ควรรู้ว่าจิตมีลาภะมันรู้ชัดว่าจิตมีนะ ฉะนั้นในความหมายพุทธคุณในพทุทธคุณบอกสั้นๆบอกว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะาอัตตาเขาขยายบอกว่าราคะในที่นั่นคือโลภะแปดพูดแค่นี้นะยังเวลาเวลามาเจริญเนี่ยต้องมาแยกแยะละเนี้ทีนี้การจะแยกแยะละเอียดได้ก็แปลว่าคน น, นั้นฟังป ร, รึกษาแล้วใกล้ควรมาเป็นอย่างนี้ต้องถามเราทุกคนนี้ที่นั่นนั่งอยู่เคยสั้งเกตไหยว่า เวลาโลภะจิตเกิดขึ้นเนี่ยเราเราสามารถรู้จากตัวเองไห้ว่าเออเราเนี่ยเป็นประเภทอ่านสังขาริสหรือจากสังขาริสเพราะเราเ น, ามมนี่ยเป็นประเภทโสมนะจะเป็นอะไรครัเนี่ยพอจะทราบใช่ไหมตรงนี้นี่แหละที่ท บ, ทบ อ, อาจะเป็นธคตุเจริญจิตานุปัตนานานะมันจะเริ่มรู้ชัดและในที่สุดจริงแล้วก็จะรัะเขขบเอาตัวได้ทําประเภทนี้ได้การเจริญตรงนี้วัตถุประสมเมื่อลาเอบนะ เจอเพื่อรับบาปเพราะถ้าหากรู้ชัดแล้วก็เห็นความควาเป็นจริงของของของราคาของของกิจเหล่านี้นก็นนให้สุดจริงจริงก็จะรู้ว่ารู้ทำเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรที่ควรรักควรกำหนดรู้ควรจะลเลยยังไงก็ต้องแยกนี้อะไรเลยที่หมดเดวลาที่ใครถามเลย